หลวงพ่อปราโมทปราโมโชหลวงพ่อปราโมทปาโมชโชเกิดพศ2495ณนะบ้านดอกไม้ตำบลบ้านบาทอำเภอป้อมปราบศัตรูพ่ายจังหวัดพระนครการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนต้นณนะโรงเรียนสุริยวงศ์ชั้นประถมศึกษาตอนปลายณนะโรงเรียนวัดพระพราชัย ชั้นมัธยมศึกษาณโรงเรียนโยธินบุรณะปริญญาตรีและโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลักสูตรสจว ร, รุ่นที่57การทำงานเป็นลูกจ้างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในระหว่างพศ2518ถึง2521เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-7 ถึงสำนัก ง, งานสภาความมั่นคงแห่งชาติระหว่างพศ2521ถึงพศ2535ผู้ชำนาญการระดับ 8-10 องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยระหว่างพศ2535ถึง2544 การศึกษาธรรมนักธรรมตรีศึกษาอานาปานสติตามคำสอนของท่านพ่อรีธรร ม, มทโรตั้งแต่พศ2502ศึกษากรรมฐานจากครูบาอาจารย์สายวัดป่าหลายรูปตั้งแต่พศ2525อาทิหลวงปู่ดูลอตตุโลหลวงพ่อพุทธฐานิโยหลวงปู่เทศ เทรังสีหลวงปู่ศิมพุทธาจาโรโวหลวงปู่บุญจันทร์จันทาวโรและหลวงปู่สุวัสด์สุวัโจเป็นต้นอุปสมบทครั้งแรกในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาณวัดชมประธ า, ร, ารังสฤษจังหวัดนนทบุรีโดยมีหลวงพ่อปัญญาณทพิขุเป็นพระอุปชาอุปสมบทครั้งที่สองณวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่30มิถุนายนพศส5 4 4โดยมีพระราชวรคุณสมศักดิ์ปันธิโตเป็นพระอุปชาสถานที่จำพรรษาห้าพรรษาแรกจำพรรษาอยู่ณสวนโพธิยานอรัญญาวาสีอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีของท่านพระอาจารย์สุจินสุจินโนและพรรษาที่หก นาสวนสันติธรรมอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีโดยความเห็นชอบของพระอุปชางานเขียนพิมุติปฏิปทาพศ 2542-2544 ก่อนอุปสมบทวิถีแห่งความรู้แจ้งพศ2545ประทีปสองธรรมพศ2547 และทางเอกพศ2549เป็นต้น าพระคุณเจ้าที่เคารพสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านในนามของมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมบรรยายธรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและขัดเกลาจิตใจให้เข้าถึงธรรมะด้วยการรับฟังธรรมบรรยายจากพระคุณเจ้าซึ่งนั่นก็ตรงกับมงค ล, ลสูตรข้อหนึ่งที่ว่ากาเลนะธรรมะสวานัง การฟังธรรมตามการเพื่อแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักความจริงความดีงามและเรื่องที่เป็นประโยชน์ตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้พวกเราได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากพระอาจารย์ปราโมดปาโมชโชแห่งสวนสันติธรรมศรีราชาจังหวัดชนบุรีซึ่งท่านได้กรุณามาเป็นองค์ปาชกในวันนี้และก่อนอื่นครับเพื่อความเรียบร้อยและเพื่อรักษาบรรยากาศในระหว่างการแสดงธรรม กระผมขอเรียนให้ทราบถึงข้อกําหนดที่จะต้องขอความร่วมมือจากญาติธรรมทั้งหลายในที่นี้ว่าขอให้งดการกระทําใดๆอันจะรบกวนความสงบในระหว่างการแสดงธรรมเช่นการถ่ายภาพขอให้ถ่ายภาพได้เฉพาะท่านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเท่านั้นและขอให้ปิดเสียงโทรศัพท์รวมไปถึงงดการพูดคุยสนทนากาันและถ้าไม่จําเป็นขอความกรุณาอย่าลุกเดินเข้าออกนอกห้องประชุมเพราะทุกข้อที่กล่าวมาจะก่อความรบกวนในการบรรยายธรรม และนอกจากนี้ในเรื่องของการถามคําถามที่มีข้อขัดข้องสงสัยขอความกรุณาอย่าถามแทรกขึ้นมาในระหว่างการบรรยายธรรมนะครับต่อเมื่อการแสดงธรรมจบรงพระคุณเจ้าท่านจะให้โอกาสถามปัญหานั้นๆได้และก็ต้องกราบขออภัยล่วงหน้าหากการถามปัญหาจะต้องถูกจํากัดลงด้วยเวลาอาจจะให้ท่านผู้ฟังถามคําถามพระคุณเจ้าได้ไม่ทั่วถึงนะครับและในลําดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฒน์ ส, สวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ดรช่วงโชต์พันธุเวทได้กล่าวนมัสการพระอาจารย์และต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขอกราบเรียนเชิญครับครับกราบนมัสการหลวงพ่อประโมทประโมทโชนะครับที่เคารพอย่างสูงทัานาติธรรมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลนะครับของมหาพิยาลัยราชภัตรสุนตวลทาที่ได้นิมนต์ท่านพระคุณเจ้านะครับท่านประโมทประโมทโช ได้มาแสดงธรรมที่นี่นะครับสถานที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่เราเรียกว่าวังสวนสุนันทาซึ่งเป็นวังที่สมเด็จพระบจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงโปรดะสร้างวังนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์หรือเราเรียกว่าพระนางเลนล่มแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระราชสมภพนะครับเราก็จะมีการบวงสรวงของพระองค์ท่านก็หลังจากที่มีการบิบบัติธรรมก็ขอ ท่นานจะทำทั้งหลายนะครับได้ช่วยภาวนาสุนติกุุลนอกจากถึงผู้วิถีมีพระคุณของเราแล้วก็ได้ลึกถึง6ทมเด็จเป็นนางเจ้าสุนันทาคุมาริรับ ด, ด้วยนะครับวันนี้นะครับจริงๆแล้วกระผมเองก็ได้ให้ดรบรรจบนะครับด้านได้กรุณานะครับนิมนต์หลวงพ่อไว้เมื่อปีที่แล้วแล้วก็แต่ก็ทราบดีครับว่ากิจนิมนต์ของท่านมากแต่จริงๆแล้วผมเองก็ได้ไปตามนะครับของท่านตอนที่ท่านอยู่ที่ จงังหวัดกาญจน บ, บุรีนะครับไปที่นั่นสองครั้งใ น, นตอนนั้นที่เริ่มต้นที่สํานักสงฆ์อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเดกครับก็ไปที่ศรีราชาซึ่งก็ด้วยนะครับด้วยความเมตตาของท่านอาจารย์ประเยูศักด์รีหรือท่านอาธิการบดีเก่าที่นทนอดีตที่นี่แล้วก็ท่านเองก็ได้ปฏิบัติธรรมมาตลอดนะครับนี่ก็เป็นคําที่ผมเองนะครก็ได้อ่า ยึดถือนะครับหลังจากที่ตัวเองก็พยายามนะครับได้ทําปฏิบัติธรรมกันมาหลาย10ปีหลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศก็เป็นเวลา20กว่าปีก็พยายามที่จะปฏิบัติแต่ว่าด้วยหลังจากที่ได้ไปฟังของท่านแล้วนะครับว่าด้วยวิธีการกับกระดานต่างๆเนี่ยมันถูกอาจจะถูกวัจริตรของเรานะครับก็ได้ฟังเทปท่านทางศื่อเองท่านมาตลอด แล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยราชภัสุ์รัทธาซึ่งเราก็กล่าวเข้ามาเป็นปีที่72แล้วปีหน้าเราก็จีมีการเฉลิมฉลองในการครบรอบ73ปี8 3 0รรษาของพระองค์ในหลวงเราด้วยและขณะเดียวกันก็เป็น151ปีของวังสวนชวนทานนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของญาติธรรมที่อยู่กรุงเทพมหานครนะครับได้มีโอกาส นะครับในการที่จะมานั่งฟังธรรมจากจากพระคุณเจ้าของวันในวันนี้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงในะโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งกราบขอขอบคุณครับเจริญพรท่านอาธิการบดีคุณแม่พยาแล้วก็ญาติโยมทุกๆุ ท, กท่านวันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลเราได้มาเจอกัน เห็นการได้เห็นสมณะก็เป็นมงคลนะการได้เข้าใกล้ได้ฟังธรรมก็เป็นมงคลยิ่งเป็นมงคลยิ่งขึ้นถ้าได้ศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงๆลําพังฟังอย่างเดียวหรือเหตุพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างเดียวก็เป็นมงคลเหมือนกันแต่ไม่มากเท่าไรหร่สู้เราเอาธรรมะไปปฏิบัติจนใจเราสมควรแก่ทำผู้ใดปฏิบัติ ทำได้สมควรจะ ท, ทำนะจิตใจมันจะเข้าถึงความสงบสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนในโลกทุกวันนี้มันเต็มไปด้วยความร้าร้อนทุรนทุรายต่อสู้แย่งชิงกันตลอดเวลาชีวิตของคนนะมีอยู่มีกินมากขึ้นมีของกินของใช้เยอะแยะไปหมดแต่ความสุขความสงบในชีวิตนะ่ะร้อยหลอลงไปทุกทีอย่างสมัยอาตมาเด็กๆ เ, เราอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นนะ ในบ้านมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ทั้งหลายเจนเ r อร์ชันมาถึงวันนี้แต่ละคนแยกย้ายกันไปอยู่คนละทางสองทางแต่ละบ้านแทบไม่มีคนอยู่พ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปทางหรือเวลาอยู่บ้านนะลูกก็อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ละคนมีโลกของตัวเองอยู่ผู้คนเดี๋ยวนี้เยอะสมัยก่อนคนน้อยแต่อบอุ่นนะเดี๋ยวนี้คนเยอะแต่ว่าว ชีวิตของเราข้างหน้าต่อไปข้างหน้านั้นจะยิ่งต่เผชิญปัญหาชีวิตที่หนักหน่วงรุนแรงแย่งกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันทํางานสุดท้ายไปเฉาเฉาอยู่ในบ้านแก่เท่าขึ้นมาอยู่ตามลําพังยิ่งนานวันก็ยิ่งว้าวเยยิ่งคนมากก็ยิ่งว้าวเยยิ่งมีของกินของใช้มากก็ยิ่งเป็นหนี้ในชีวิตมันลําบาก ความผันแปรต่างๆความแปรปรวนต่างๆจากโลกภายนอกมันกระทบเข้ามาถึงเราได้ตลอดเวลาอย่างประเทศอื่นลบกันใช่ไหมของประเทศเราก็แพงอะไรเนี้หรือเขากักตุนน้ํามันที่ประเทศอื่นนล้วน้ำมันเราก็แพงนั้นชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรากําหนดอะไรไม่ได้เลยว่าเราจะเจออะไรต่อไปข้างหน้าน้ําจะท่วมโลกหรือเปล่าเขาไม่รู้วันดีคืนดีไปตรวจร่างกาย จะเป็นมะเร็งหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้คนเป็นมะเร็งเยอะแยะนะท่ามกลางความไม่แน่นอนเนี่ยท่ามกลางความเงียบเหงาความว่าเวการหาที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้เนะี่ยธรรมะนี่แหละจะเป็นเครื่องช่วยเราได้อย่างดีอย่างวิเศษที่สุดนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดลอยๆนะมีตัวอย่างให้พวกเราดูดูอย่างคุณแม่ประเยานี่ท่านอาธิการบดีเก่านะท่านกเกษียณไปตั้งสาิปีแล้ว ท่านเกษียณก่อนที่พวกเราครึ่งห้องเกิดและมั้งนะปรากฏว่าท่านไม่ได้มีชีวิตที่เงียบเหงาที่ว่าเวท่านมีธรรมมาเป็นเพื่อนท่านมีสติท่านฝึกสติของท่านเรื่อยแทนที่วันนึงวันนึงจะหมดไปแบบไม่มีสาระแก่นสารนะมีชีวิตอย่างเงียบเหงาว่าเวท่านกับรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีคุณค่าอยู่คนเดียวคนแก่ทั่วไปเหงาของท่านอยู่คนเดียวนะ แต่ท่านมีสติได้ปฏิบัติธรรมท่านถือว่าเป็นโอกาสดีของชีวิตงั้นพวกเราจะมีธรรมะอย่างท่านไหมจะมีสติอย่างท่านไหมถ้าเราไม่ได้เตรียมฝึกฝนไว้ตั้งแต่วันนี้นะวันข้างหน้าเราก็ไม่มีเพื่อนนะเราไม่มีอะไรจะอยู่เป็นเพื่อนเราได้นะเดี๋ยวนี้เห็นคนแกนะ่แลตามบ้านต่างๆแล้วนะคนแก่อยู่คนเดียวส่วนใหญ่เหงาเหงาว้า ว, ว, าวคุยกับหมาคุยกับแมว เด็กๆ ก, ก็ไม่มีความสุขนะเด็กๆร่อนเร่ออกไปนอกบ้านถ้าไม่งั้นก็ไปตั้งเล่นอินเทอร์เน็ตไปวันหนึ่งวันหนึ่งชีวิตมันไม่มีแก่นสารสาระอะไรเลยไม่ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเท่าที่ควรหรอกมันเต็มไปด้วยความหลอกลวงเต็มไปด้วยความอยากเพรนั้นใจแล้วมันจะหิวตลอดเวลาหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ตั้งแต่เด็กถึงคนแก่เน่ ทุกวันนี้ชีวิตลําบากมากเหลือเกินข้างหน้าก็ยิ่งดูยังไงมันก็ดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นทุกทีแล้วแย่งกันอยู่แย่งกันกินนี่ทําไงเราจะมีชีวิตที่มั่นคงได้เราจะมีชีวิตที่มั่นคงได้ถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจของเราธรรมะเป็นเพื่อนเราตลอดไปไม่ทอดทิ้งเราหรอกถ้าเราไม่ทอดทิ้งธรรมะคนที่ไม่มีธรรมะในใจนะทำบอกว่าธรรมะทอดทิ้งความจริงตัวเองทอดทิ้งธรรมะ พวกเรามีบุญมีวาสนามากเราได้เกิดในแผ่นดินที่ธรรมมากของพระพุทธเจ้ายังดำรงอยู่เพียนงะแต่ว่าพวกเราอยู่มานานตั้งแต่เกิดเราก็คุ้นเคยจนกระทั่งเรามองไม่เห็นความสำคัญไม่เห็นคุณค่าอย่างตอนนี้ที่วัดหลวงพ่อนะคนต่างประเทศที่ไปเรียนมีเยอะแยะนะมีอยู่ประจำเลยฝรั่งฝรั่งก็มาเรียนนะเขาสแสวงหานะเขาดิ้นรนเขาลาบากมากเลยในการที่จะเข้ามาเรียนได้ มีิวประสักนาณาชนิดตั้งแต่ภาษานะจะเข้าเมืองก็ยากแล้วเข้ามาอยู่ได้ก็ต้องวิ่งไปต่อวีซ่าอะไรเงี้ยแต่เขาก็อดทนนะเพราะเขาว่เาเขารู้แล้วว่าความเจริญในบ้านเมืองของเขาเนี่ยมันไม่ได้ให้ความสุขกับเขาอย่างแท้จริงพวกเราชาวตะวันออกพวกเราชาวไทยมีธรรมะนี่เพียงแต่ว่าพวกเราไม่รู้จักคุณค่าเพราะเราคุ้นเคยมากเกินไปเราคิดถึงธรรมะหนึงง่คิดถึงวดัดคิดถึงพระ วัดและพระก็ยังไม่ใช่ธรรมะตัวจริงนะเราทุกวันนี้เราเข้าวัดตอนไหนบ้างเข้าไปงานศพนะกับเข้าตอนเป็นศพนะมีสองอย่างนะไม่ก็เข้าไปสะดากเคราะห์อะไรเงี้ยนะชีวิตมันว้าเหวินะไม่รู้จะทำไงบางทีก็ไปให้พระเป็นหมอดูโถพระท่านจะดูได้ไงนะนี่ทำไงธรรมะมันจะมาอยู่ที่ใจเรานะเราต้องไม่ปฏิเสธธรรมะซะเอง พื้นๆเลยนะพวกเราต้องมีศีลไว้ก่อนอย่ามองข้ามศีล น, นะศีลเนี่ยเป็นเครื่องตีกรอบชีวิตของเราไม่ให้มันกระเจิดกระเจิงหลงโลกมากเกินไปทุกวันนี้ดูสีสังคมวุ่นวายมากมายเพราะคนไม่มีศีลเนะบียดเบียนกันตลอดเวลาเลยแย่งชิงทำร้ายกันตลอดเวลามีสามีมีภรรยาแล้วต้องมีกิ๊กอีกนะมีอะไรมากมายเหลือเกินะชีวิตไม่มีความสุข เราถือศีลเนี่ยเพื่อให้ชีวิตมันเป็นการจัดระเบียบชีวิตให้มีความสงบสุขงั้นเราอย่านึกว่าศีลเป็นเรื่องลาบากนะศีลจริงๆคือการจัดระเบียบชีวิตของเราให้มันมีความสงบสุขคนไหนมีศีลเท่านั้นจะมีความสุขมีความสงบในชีวิตยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเราคิดจะฆ่าคนอื่นเนี่ยกับคนที่ไม่ได้คิดฆ่าคนอื่นคนไหนมันจะวุ่นวายมากกว่ากันเราจะฆ่าใครสักคนหรือไม่ต้องวางแผน ก่อนฆ่าก็กลุ่มแล้วนะต้องวางแผนให้ดีระหว่างฆ่านะใจก็ต้องเครียดแหละฆ่าเสร็จแล้วก็เครียดอีกนะทํายังไงจะปกปิดความผิดได้อีกบางคนนัไปฆ่าเขาตายเสร็จแล้วกลัวผีหรือคนจะขโมยเขาต้องวางแผนต้องไปขโมยเขาต้องปกปิดเงี้ยคนที่มีความสันโดษอยู่ในคู่ของตัวเองไม่รุ่นบายอะไร คนที่ไม่สันโดษในคู่ของตัวเองก็ต้องวุ่นวายมากต้องโกหกต้องหลอกลวงนะเกิดรถไฟชนกันก็ลำบากอีกหรือคนพูดเท็จก็ลำบากคนพูดเทศต้องจำนะต้องใช้ความจำมากเลยเสียหน่วยความจำไปเกือบหมดแล้วชีวิตเนี้ยเอาสมองไปใช้กับความจำพูดกับคนนี้โกหกไว้อย่างนี้พูดกับคนนี้โกหกไว้อย่างนี้เวลาสองคนมันมาเจอกันจะต้องโกหกแบบที่สามจะทำยังไงจนะ ต, ต้องเกิดสินธิสิทธิ์เสได้ งั้นคนไม่โกหกนะคนพูดความจริงไม่ต้องใช้หน่วยความจํามากความจริงมันก็มีอยู่เท่านี้เองคนจะกินเหล้าติดยาเสพติดใช่ไหมต้องไปหาเงินมากินแล้วก็เสียหายหลายหลายหลายอย่างจิตใจฟุ้งซ่านงั้นสีนเนี่ยถ้าเรารักษาไว้ให้ดีนะอย่าอย่าประมาทถ้าเรารักษาไว้ให้ดีแนะจิตใจมันจะสงบสุขมันเป็นการจัดระเบียบชีวิตให้มีความสงบสุขแต่ลําพังการถือสีนเนี่ยยังไม่พอ คนมีศีลเนี่ยยังไม่พอหรอกธรรมากของพระพุทธเจ้านะัประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่านั้นอีกเยอะแยะถัดจากนั้นเราต้องมาฝึกจิตใจของเราเองจิตใจของเราทุกวันนี้เต็ไมไปด้วยความอยากเต็ไมไปด้วยความฟุ้งซ่านวุ่นวายตลอดเวลาทําไงเราจะจัดระเบียบจิตใจของเราให้มันสงบสุขได้บ้างอย่างศีลเนี่ยจะจัดระเบียบจัดกรอบการดําเนินชีวิตเรานะให้มันไม่วุ่นวาย การฝึกจิตฝึกใจให้มันมีความสงบเป็นจัดระเบียบจิตใจให้มีความสงบพร้อมที่จะเจริญปัญญาต่อไปวิธีการที่ง่ายๆเหมาะสําหรับคนในเมืองนะเราจะไปนั่งสมาธิวันละหลายชั่วโมงไปเดินจงกรมวันละหลายชั่วโมงมันก็ทําไม่ค่อยจะไหวสิ่งที่จะช่วยเราได้ง่ายๆก็คือให้เราคอยรู้ทันใจของเราเองใจของเรามันฟุ้งซ่านหนีไปคิดเรื่องโ น, น้นหนีไปคิดเรื่องนี้ คิดเรื่องนี้นะก็ะมีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์คิดเรื่องนี้สบายใจคิดเรื่องนี้ไม่สบายใจคิดเรื่องนี้โลภ ค, ค, คิดเรื่องนี้โกรธขึ้นมาคิดเรื่องนี้ฟุ้งซ่านคิดเรื่องนี้โหดหูเนี่ยใจเราแกว่งไปแกว่งมาตลอดเวลาวิธีการที่ง่ายมากเลยนะที่เราจะจัดระเบียบจิตใจให้มันมีความสุขความสงบขึ้นมาเนี่ยขาอาศรรยัยความมีสติถ้าพูดถึงคาว่าสติเดียจะงงนะเราคอยรู้สึกไว คอยรู้สึกคอยรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆถ้าใจมันฟุ้งซ่านนะก็คอยรู้ทันมันใจมันเป็นยังไงคอยรู้ทันมันไปเรื่อยๆเวลาที่ใจเราฟุ้งซ่านแล้วเราเกิดรู้ทันนะใจมันจะสงบโดยอัตโนมัตินี่เป็นเรื่องแปลกเราไม่ต้องไปบังคับให้สงบนะอยังบังคับให้สงบยังไงมันก็ไม่ยอมสงบง่ายๆเมื่อเมื่อสองสามวันนี้มีคนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่ามีคนหนึ่ง เขาทำสมถะภาวนามันานนะบังคับใจให้นิ่งเลยวันนึงโกรธคนมากเลยจะไปฆ่าเขานะเอามีดมาวางเอาดาบมาวางไว้ต่อหน้านะพอเห็นดาบแล้วก็จะหยิบดาบเนี่ยไปฟันเขาอยู่ตลอดเวลาเอาผ้ามาคลุมไว้นะจะได้ไม่เห็นแต่ว่าอยากฟันเขามากเลยอุตส่าห์เอาดาบมาวางใกล้ๆแล้วแล้วก็รีบพุโทโธพุโทโธใหญ่หายใจใหญ่นะจะได้ไม่ไปฆ่าเขา จะบอกยิ่งยิ่งบริกรรมเข้าไปนะมันยิ่งแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะยิ่งเครียดขึ้นเรื่อยๆนี่แกนึกถึงคำหลวงพ่อได้ว่าจิตใจมีความโกรธเกิดขึ้นให้รู้ทันนะพอแกรู้ทันใจที่โกรธปั๊บความโกรธี่แกบอกเลยความรู้สึกโกรธความรู้สึกขับแค้นนะมันกระเด็นหลุดออกไปต่อหน้าต่อตาเลยนะกระเด็นออกจากใจแกไปต่อหน้าต่อตาเลยใจของแกมีความสุขมีความสงบนะโดยที่ไม่ได้บังคับไม่ได้เก็บกด งั้นถ้าหากเรามีสติรู้ทันจิตใจของเราบ่อยๆนะจิตใจเราจะมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วสามารถทําตรงนี้ได้มีนับไม่ถ้วนละแค่มีสติรู้ทันใจไปเคลื่อนไหวขยับไปเย่ยนเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้ทันไปเรื่อยจิตใจปกตินี่มันจะหนีตลอดเวลาเพราะเราสังเกตไม่ใจเราหนีไปคิดตลอดเวลาเดี๋ยวคิดเรื่องโน้นอีกคิดเรื่องนี้นะใจเราร่อนเร่ตลอดเวลานะหาความสงบไม่ได้เลย แต่ถ้าเรารู้ทันนะนี่เป็นเคล็ดลับของการดำรงชีวิตให้จิตใจมีความสุขมีความสงบนะเคล็ดลับก็คือถ้าเรารู้ทันจิตใจที่ไม่สงบจิตใจจะเกิดความสงบขึ้นเองนะอันนี้เป็นกฎนะเป็นกฎคล้ายๆกฎเลขาคณิตข้อหนึ่งนี่เป็นกฎของธรรมะข้อหนึ่งถ้าเรารู้ทันจิตใจที่ไม่สงบนะจิตใจมันจะสงบของมันเองโดยอัตโนมัติ ยังมีความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันว่าใจมันโกรธนะีความโกรธมันจะกระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาแต่ต้องรู้ให้เป็นนะไม่ใช่ไปรู้ไปต้องเกลียดมันไปยกตัวอย่างนะอย่างเราขับรถยนต์อยู่มีคนมาปาดหน้าเราเราก็คิดในทางไม่ดีเอ้นี่มันนิสัยไม่ดีความจริงตัวเองกําลังนิสัยไม่ดีนะกาลังว่าเขาเราก็ว่าเขานิสัยไม่ดีความประพฤติไม่ดีจะรีบไปไหนแน่สักแค่ไหนเงี้ยเขาคิดไม่ดีนะโทรศัก็เกิดพอโทรศัท์มันเกิดขึ้นมาเนี่ย เราจะลืมตัวเราเองเราจะไปดูไว้คนที่มัขับรถปาดหน้าเราเนะี่ยคนทั่วๆไปจะเป็นแบบเนี้ยพอโกรธขึ้นมานะเราก็จะไปคิดถึงไอ้คนที่โกรธเราจะไปดูไว้คนที่โกรธหรือกระทั่งความรักเกิดขึ้นเราก็จะคิดถึงคนที่เรารักรู้สึกไหมเรารักใครเราก็คิดถึงคนนั้นมากเราโปรธใครเราก็คิดถึงคนนั้นมากหลักของการที่จะฝึกจิตฝึกใจในเบื้องต้นนี่ไม่ยากอะไรนะเราโกรธเรารู้ว่ากําลังโกรธอยูนะ่เรารักเรารู้ว่ากําลังรักอยู่ ให้คอยรู้ทันใจตัวเองข้างหลังมีพวกเด็กๆเยอะแยะนะพวกเด็กวัยรุ่นเน่ยอยากมีคนรู้ใจเพราะฉะนั้นอยากจะมีคนรู้ใจนะขั้นแรกหัดรู้ใจตัวเองซะก่อนถ้าใจตัวเองยังไม่รู้เลยเ้าจะให้ใครเข้ามารู้ใจเรานะเั้นเราหัดรู้ทันใจของเราให้ดีนะต่อไปเราจะรู้ทันใจคนอื่นด้วยมันมาไม้ไหนเรารู้หมดนะเราจะรู้ทันเขาเาะะนั้นเราฝึกไปเรื่อยใจเราโกรธขึ้นมาเราก็รู้ทันใจเราโลภขึ้นมาอยากโน่นอยากนี่ขึ้นมาเราคอยรู้ทัน เราจะเห็นความรู้สึกทั้งหลายมันจะเด่นออกไปความโกรธความโลภความฟุ้งซ่านความหงดหูิความกังวลความกลัวสารพัดความรู้สึกความอิจฉาทิษยาอะไรพวกนี้ถ้าเรามีสติรู้ทันทันหนึ่งมันจะก็เด็นออกจากใจเราใจมันจะสงบมีความสุขมีความสงบขึ้นมาจิตใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าเราฝึกจิตพอสมควรแล้วจัดระเบียบจิตใจแล้ว จิตใจอยู่กับเนื้อ ก, กับตัวได้ต่อไปก็ถึงขั้นพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปอีกเรียกว่าขั้นของการเจริญปัญญาขั้นแรกคือศีล น, นะฝึกศีลเนี่ยเพื่อจัดระเบียบชีวิตให้มันสงบเรียบร้อยมันเกื้อกูนที่จะฝึกจิตให้สงบต่อไปต่อมาเรามาฝึกสติรู้ทันจิตของเราเรื่อยๆจิตมันมีความสุขมีความสงบขึ้นมาจิตใจอยู่กับเนื้อ ก, กับตัวไม่ลืมตัวคนในโลกนี้ลืมตัวตลอดเวลาเรารักตัวเอง แต่เราลืมตัวเราเองตลอดเวลาสังเกตไหมตั้งแต่ตื่นนอนพอตื่นนอนเราคิดถึงคนอื่นก่อนคิดถึงตัวเองซะอีกนะหรือทั้งวันทั้งวันนะเราสนใจสิ่งภายนอกมากกว่าที่จะสนใจตัวเองนะการที่จะเจริญปัญญาไม่ใช่อะไรมากหรอกคือการที่เราคอยให้ความสนใจตัวเองให้มากขึ้นนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือร่างกายกับจิตใจนี่เองนะวิธีที่จะเจริญปัญญานะพอใจเราสงบใจเราตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว ไม่ลืมตัวเองไม่หลงฟุ้งซ่านไปที่อื่นไม่ใช่โกรธขึ้นมาก็ไปคิดถึงคนที่โกรธโลภขึ้นมารักขึ้นมาก็ไปคิดถึงคนที่รักอยากได้อะไรอยากได้โทรศัพท์มือถือแบบใหม่นี่ใจก็ไปคิดถึงโทรศัพท์มือถืออะไรนี้ใจมันลืมตัวเองตลอดพอเรารู้ทันใจที่หลงไปนะมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาพอเรารู้สึกตัวขึ้นมานะเราค่อยดูร่างกายที่เคลื่อนไหวค่อยดูจิตใจที่เคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจของตัวเองเรื่อยๆนะ ร่างกายของเราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลารู้สึกไหมเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้านะเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็ขยับขยื่นเคลื่อนไหวใครที่มานั่งอยู่นี่ยังไม่ได้เก่าเลยมีไหมมีท่านไหนที่นั่งคุยกันมายี่สนาทีแล้วยังไม่ได้เก่าเลยมีไหมมีบ้างมีท่านไหนที่มานั่งแล้วยังไม่ได้กระดุกกระดิกเลยไหม นี่เราคุยกันมา23านาทีแล้วมีท่านไหนยังไม่ได้กระดุกระดิกเลยมีไหมเรากระดูกระดิกตลอดเวลารู้สึกไหมเราร่างกายมันเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนะเราจะเห็นเราจะเกิดปัญญาขึ้นชนิดหนึ่งเราจะเห็นว่าร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวอ ย, อยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเท่านั้นเองมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเราเห็นร่างกายของตัวเองที่เคลื่อนไหว เ, เหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวนะเราค่อยๆฝึกนะ วันหนึ่งเราจะเห็นเลยถ้าใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อไรใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อไรแล้วเรารู้ลงไปที่กายเนี่ยเราจะเห็นเลยร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นเท่านั้นเองเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกนะถ้าเรามีสติรู้ทันใจเราก็จะเห็นเลยเดี๋ยวใจก็สุขเดี๋ยวใจก็ทุกข์เดี๋ยวใจก็เฉย ตอนนี้ใจของใครมีความสุขบ้างยกมือซิมีไหมตอนนี้ใจของใครมีความทุกข์บ้างยกมือซิตอนนี้ใจของใครเฉยๆยกมือซิมันมีสามอันเท่านั้นนะต้องยกหนึ่งอันนะ <c oughs> ไม่ใช่อะไรก็ไม่ยกสักอนันเ <c oughs> หลือไม่ยกอีกอันเดียวก็คือไม่รู้นะไม่รู้ทันนะเราอย่าไปนึกว่าการปฏิบัติธรรมนี้ยากแสนยากนะนีจริงง่ายนิดเดียวใจเรามีความสุขเรารู้ว่ามีความสุข ใจเรามีความทุกข์เรารู้ว่ามีความทุกข์ใจเราเฉยเฉยรู้ว่ากำลังเฉยเฉยอยู่นี่ลองฝึกดูนะง่ายๆยง่ายมากๆเลยใครไม่รู้จักความสุขบ้างมีไม้ยใครไม่รู้จักความทุกข์ใครไม่รู้จักว่าบางทีใจก็ไม่สุขไม่ทุกข์ใจเฉยเฉยนะใครรู้จักความสุขบ้างไหมถูกหลอกแล้วนะไม่งั้นมันไม่ยกมือสักทีนะ า้ใจเรานี่นะเรารู้จักอยู่แล้วความสุข right? เราก็รู้จักใช่ไหมความทุกข์เราก็รู้จักเฉยๆเราก็รู้จักวิธีที่จะเจริญปัญญานะง่ายนิดเดียวนะเราคอยมาดูใจ Shiny, ของเรานะใจเราขณะนี้มีความสุขเราก็รู้ทันเราก็จะเห็นนะความสุขมันอยู่ได้ไม่นานหรอกความสุขอยู่ชั่วคราวนะแล้วก็จะหายไปถ้าใจเกิดมีความทุกข์ขึ้นมาเราก็คอยรู้ทันเราก็จะเห็นว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจนี่อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปใครเคยทุกข์นานๆบ้างมีไหม ใครเคยอกหักมีไหมท่านอาธิการเคยอกหักไหมไม่ไม่อกหักท่านรูปหล่ออย่างนี้นะท่านไม่อกหักนะอย่างบางคนนะ่ะอกหักนะ่ะทุกแรมปีใชใครไม่เคยอกหักเนี่ยไม่รู้รสชาติของชีวิตนะอย่างเวลาอกหักนะั้นมันทุกแรมปีเลยหลวงพ่อเคยถามมีพวกเด็กๆ เ, เนี่ยวัยรุ่นเนี่ยชอาไปเรียนกับหลวงพ่อเยอะเลยเพราะหลวงพ่อพูดภาษาสมัยใหม่ไม่ค่อยมีภาษาบาลี นะถามพวกเด็กๆว่าใครเคยมีความทุกข์นานๆมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะบอ ก, oo, กหนูทุกหนูทุกนานเท่าไหรปีเป็นปีเลยเป็นปีๆทําไมทุก อ, อกหกักนะถามว่าทุกตลอดเวลาเลยเหรอทุกตลอดเวลาเลยหนะลวงพ่อดูหน้าเด็กคนนี้นะั้นท่าทางมันชอบเดินตามศูนย์การค้ามากเลยนะมันต้องเที่ยวเดินศูนย์การค้านอนศูนย์การค้านี้ไม่เลิกหรอนิสัยหน้าตาแบบนี้นะ่าโง่เฮงง่ายนะ ถามบอกว่าเคยไปเที่ยวศูนย์การค้าใหม่ๆไหมเคยแล้วเคยอยากเข้าห้องน้ําแบบฉุกเฉินไหมเคยตอนที่วิ่งหาห้องน้ําว่าห้องน้ําอยู่หัไหนตอนนั้นอ่ะทุกไหมนะรุ่มใจไหมว่าถูกหักอกมานะบอกตอนนั้นลืมเลยนะคิดแต่ว่าห้องน้ําอยู่ที่ไหนนะลืมไอ้นหนุ่มที่หักอกไปเลยนะเห็นไหมความทุกข์ที่อกหักก็ไม่เที่ยงหรอกนะ พอเข้าห้องน้ําได้นะปิดประตูลงกรอนเรียบร้อยนะความทุกข์เริ่มบรรเทาลงก็เริ่มคิดใหม่หมึ่งหักอกปูนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นใหม่แม้ความทุกข์เกิดตอนที่คิดเอานะถ้าไม่หลงไปในโลกของความคิดนะเรารู้ทันใจของเราได้ใจไม่หลงไปในความคิดแนละ้วความทุกข์มันมีไม่ได้หรอกความทุกขทางใจจะไม่มีมีแต่ความทุกข์ทางร่างกายความสุขเราก็รู้จักนะความทุกข์เราก็รู้จักเฉยๆเราก็รู้จัก ถ้าอยากปฏิบัติทำแบบง่ายๆนะใจมีความสุขก็รู้ทันใจมีความทุกข์ก็รู้ทันใจเฉยๆก็รู้ทันฝึกอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าคนไหนขี้โมโหมีคนไหนขี้โมโหบ้างมีไหมไหนขอชมโชมพวกเด็กๆมีไหมขี้โมโหนั่งข้างหลังโน้นมีไหมคนไหนขี้โมโหบ้างนะผู้หญิงขี้โมโหมากกว่าผู้ชายนะ่ยตามสถิติ ด, ดูจากข้างหลังนะพวกผู้ชายขี้เกียจไม่ยอมยอกมือนะ คนไหนขี้โมโหนะรู้ทันเวลาใจมันโกรธขึ้นมารู้ทันว่าใจกําลังโกรธอยู่ถ้าเรารู้เฉยๆเราไม่ไปคิดต่อนะความโกรธมันจะหายเองนี่เป็นเรื่องแปลกนะเวลาใจมันโกรธขึ้นมาเรารู้ว่าใจมันโกรธขึ้นมาเนี่ยความโกรธมันจะหายเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเพราะอะไรเพราะขณะที่เรารู้ว่าใจโกรธเราจะไม่ได้คิดขณะที่เรารู้ทันว่าใจกําลังโกรธอยู่เราจะไม่คิดขณะที่เราคิดอยู่เนี่ยเราจะไม่รู้ทันว่าใจกําลังโกรธอยู่นะ มีกฎของธรรมะข้อหนึ่งก็คือจิตใจของเราเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเพราะฉะั้นถ้ามันไปรู้เรื่องราวที่คิดซะแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไปรู้ความกโกรธถ้ามันมารู้ความกโกรธรู้กิเลสได้มันก็ไม่หลงไปคิดเพราะฉนั้นะมันรู้อารมณนะ์ได้ครั้งละอย่างเดียวต่อไปนี้พอใจเราโกรธขึ้นมาคนไหนขี้โมโหนะก็ดูใจเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเฝ้ารู้เฝ้าดูอยา่างนี้เรื่อยๆไปคนไหนขี้โลภ S <S <an> <S เห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดมีไหมคนไหนคนไหนมีความโลภมากมีไหมไม่ค่อยอยากยกแล้วนี้ชักเหนียมเนียมะความจริงโลภตลอดเวลาเลยใจเรามีความอยากเกิดขึ้นแทบตลอดเวลาแต่เดี๋ยวก็อยากดูใช่ไหมเดี๋ยวก็อยากฟังฟังไปฟังมาไม่ค่อยรู้เรื่องอยากจะหนียวอยากห้องนี้ความอยากนี่มันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่เดิม ท, ที่ผ่านมาในชีวิตเรานะความอยากเกิดขึ้นเราไม่เคยเห็นเลย นะอย่างเราอยากได้ i p h o n เนี่ยเราก็ไปมอง iPhone เป็นยังไงนะเที่ยวไปดนะูเราลืมที่จะรู้ตัวเองนะถ้าความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันความอยากที่เกิดขึ้นนะความอยากมันจะกระเด็นหายไปเองเป็นเรื่องแปลกนะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะเคยไปเรียนกับหลวงพ่อเขามาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่าวันหนึ่งเขาไปเที่ยวศูนย์การค้าไปเห็นกระเป๋าหนึ่งใบสวยๆใจมันอยากได้ใจมันอยากได้ไดรู้ทันมาอยากได้นะความอยากมันดับมับไปต่อหน้าต่อตาเลย บอกแล้วก็ถัดจากนั้นเผลอเผลออีกทีนะกระเป๋ากลับมาถึงบ้านแล้วนะเผลอนานไปหน่อยนะไม่ไม่เห็นว่าความอยากนะักเกิดขึ้นจนควักกระเป๋าไปซื้อนะกลับมาถึงบ้านตายแล้วว่านี่กระเป๋าลูกที่สิบห้าตูจะมาทําอะไรนะสะตังก็ไม่มีจะใส่กระเป๋าแล้วนะพ่อไปซื้อกระเป๋าหมดแล้วนะนะแต่ถ้าใจเราอยากขึ้นมานะเรารู้ทันว่าใจเรามีความอยากขึ้นมาแนละความอยากมันจะกระเด็นหายไปงั้นพวกเด็กๆนะฝึกไว้นะ ถ้าใจเรามีความอยากแล้วเราไม่รู้ทันนะเราก็จะดิ้นรนนะอยากโน้อนอยากนี้เราจะเต็มไปด้วยความทุกขนะ์เหมือนเพราะความอยากมันเกิดตลอดเวลาได้อันนี้ก็จะเอาอันโน้นได้อันโน้นเอาอันนี้ไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดหรอกหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้แต่ถ้าเรารู้ทันใจของเราสะบ้างนะความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันนะมันจะเหลือแต่เหตุผลว่าสมควรซื้อก็ซื้ อ, อไม่สมควรก็ไม่ซื้อไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติธรรมแล้วต้องทําตัวปอนๆตลอดเวลาจะไปไหนก็นุ่งผ้าถุงอย่างเดียวนะ ปากเขาทาไม่ได้ปากเขียวอือนะโอ้อยางงั้นมันก็เกินไปนะมันไม่จําเป็นสําหรับคารวาสขนาดนั้นหรอกนะใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดานี่แหละถือศีล5้าไว้นะคอยรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆใจก็สงบใจก็ตั้งมั่นพอใจรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เรื่อยๆคอยรู้กายคอยรู้ใจไปเรื่อยร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายเดินยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์คอยรู้สึกจิตใจเฉยๆคอยรู้สึก จิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจหดหูจิต ใ, ใจอิจฉาเนี่ยจิตใจกังวลจิตใจกลัวจิตใจเป็นยังไงเราคอยรู้สึกไปเรื่อยถ้าเราคอยรู้สึกไปเรื่อยๆต่อไปปัญญามันจะเกิดคำว่าปัญญาในทางาศาสนาพุทธนี่แปลกนะไม่ใช่ปัญญาอย่างที่เรารู้จักหรอกไม่ใช่ IQ สูงนะไม่ใช่เลยปัญญาในทางาศาสนาพุทธคือการเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเราจะสามารถมีชีวิตแบบทุกข์น้อยๆถ้าเข้าใจแจม่มแจ้งเราจะมีชีวิตแบบไม่ทุกข์เลยฉะนั้นเราจะฝึกไปเรื่อยนะเบื้องต้นเราก็จะทุกข์น้อยลงนะ้อยลงนะถึงจุดหนึ่งเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปแล้วอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนะมันก็จะไม่ทุกข์อีกแล้วจะเห็นว่าปัญหาก็ส่วนปัญหานะชีวิตกับปัญหานี่ไม่เคยคลากจากกันเลยปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เดี๋ยวปัญหาเรื่องนั้นปัญหาเรื่องนี้ในชีวิตเราลองนึกทบทวนหรือปัญหาสารพัดเลยไหมเนี๋ยวปัญหาสุขภาพปัญหาการงานปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมปัญหาโน้นปัญหานี้นะหมุนเวียนกันมาตลอดเวลาเพราะฉั้นปัญหานั้นมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตแต่สําหรับคนที่รู้ความจริงของชีวิตแล้วปัญหาส่วนปัญหานะมีปัญหาแต่ไม่มีความทุกข์คนซึ่งไม่ได้รู้ความจริงของชีวิตเนี่ยเวลาปัญหาเกิดแล้วมันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นด้วย งั้นการที่เรามาหัดรู้จิตรู้ใจตัวเองนะดูกายดูใจเห็นร่างกายทำงานเห็นจิตใจทำงานต่อไปมันจะเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตขึ้นมาถ้าเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตได้ก็จะเหลือแต่ปัญหาแต่ไม่เหลือความทุกต้องแยกให้ออกนะปัญหากับทุกเนี่ยคนละอันกันยกตัวอย่างลูกติดยาลูกติดยาเป็นปัญหาหรือเป็นความทุกเป็นอะไรแน่อเป็นสองอย่าง ลูกติดยาเป็นปัญหานะกลุ้มใจที่ลูกติดยานั่นแหละถึงจะทุกข์กลุ่มใจความทุกข์เป็นส่วนเกินของชีวิตนะปัญหานะ่ะเป็นธรรมชาติของชีวิตมีปัญหาตลอดแต่ความทุกข์เป็นส่วนเกินของชีวิตถามว่าลูกติดยาแล้วมีความทุกข์เนี่ยลูกหายติดยาไหมลูกไม่หายใช่ไหมมันเป็นส่วนเกินของชีวิตที่มีขึ้นมาเพื่อบรรทอนสุขภา พ, าพจิตเราแท้ๆเลยนะเป็นมะเร็งเป็นปัญหาหรือเป็นความทุกข์ เป็นปัญหาเห็นไหมเป็นปัญหาปัญหาอะไรปัญหาสุขภาพนะกลุ่มใจที่เป็นมะเร็งนี่คือความทุกขนะ์คนไหนที่ฝึกจิตฝึกใจไว้ดีนะร่างกายเป็นมะเร็งนะแต่จิตใจไม่ทุกข์ด้วยนะนี่เราสามารถฝึกจนถึงขนาดนี้ได้นะอะไรเกิดขึ้นปัญหาใดๆเกิดขึ้นนะก็เห็นมันเป็นแค่ปัญหาเท่านั้นเองแต่ใจมันไม่ทุกข์ถ้าใจมันฉลาดพอใจมันเข้าใจชีวิตพอเนะฉะนั้นธรรมะในศาสนาพุทธเนี่ยสอนจนเราเข้าใจชีวิตตัวเอง นี่เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งไม่มีที่ไหนเหมือนเลยศานะ ส, สนาพุทธสอนให้เรียนรู้ตัวเองเพื่อจนวันหนึ่งเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตตัวเองมีศัพท์เทคนิคเรียกว่าวิปัสนากรรมฐานนะเราไม่ต้องเรียนอย่างนั้นก็ได้นะพวกเด็กๆจะกลัวนะเรียกว่าเรามาเรียนรู้ชีวิตตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเองก็คือกายกับใจนะเราคอยรู้กายคอยรู้ใจไปเรื่อยวันหนึ่งเราจะเห็นความจริงร่างกายนี้เป็นของไม่คงที่เลย เดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกร่างกายนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เด <Cor se. S 1> <ๆ>ี๋ยวก็เฉยเฉยนร่างกายไม่คงที่เลยใครมานั่งนานๆนี่34นาทีแล้วใครยังไม่ทุกข์เลยในร่างกายมีไหมใครรู้สึกร่างกายมีความทุกข์บ้างรู้สึกไหมไม่เมื่อยเลยเหรอ <S <S พวกที่ไม่ยกมือความจริงนะความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะอย่างมันเมื่อยนะเราต้องขยับแล้วขยับตัวหนีความปวดความเมื่อย แต่เราขยับมาจนชินเราเลยไม่รู้ว่าร่างกายมันทุกข์นะการเปลี่ยนอริยาบทการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวนีมันเลยปิดบังความทุกข์ในร่างกายทําให้เราไม่เห็นมันนะถ้าเรามีสติจริงๆเราจะเห็นในร่างกายนี้นะมันไม่เที่ยงนะนหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆนะร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่สุขอย่างเดียวหรอกนะนอนอยู่ก็ทุกข์นะใครนอนไม่ทุกข์บ้างรู้สึกไหมมีไหมนอนไม่ทุกข์เลยนะต้องนอนไม่พลิกตัวเลย คืนนึงเนี่ยคนปกติพลิกตัวประมาณ40ครั้งนะถ้าเป็นไข้ก็พลิกมากกว่านั้นนะทุลนทุลายพลิกไปพลิกมาคนปกตินี่แมันถ้านอนไม่ไม่เกินถึง 20-30 ชั่วโมงแนละ้วถ้านอนประมาณ7ชั่วโมง8ชั่วโมงอนี่จะพลิกตัวประมาณ40ครั้งนะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมามันทุกข์นั่นเองนะเนี่ยถ้าเรามีสติเราคอยรู้อยู่ในร่างกายตัวเองเราจะเห็นมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเปลี่ยนแปลง เรามีสติต่อไปอีกเราก็จะเห็นในร่างกายนะ เ, เป็นแค่วัตถุเท่านั้นเองไอสไตเคยบอกนะมนุษย์เป็นแค่เศษทุลีของจักรวาลนะไอสไต์บอกมนุษย์เป็นแค่เศษทุลีของจักรวาลเป็นขี้ผงเท่านั้นเองแต่เราสําคัญตัวว่าเรายิ่งใหญ่เรายิ่งใหญ่ความจริงเป็นแค่ขี้ผงเท่านั้นเองไม่มีความหมายอะไรเท่าไรหร่หรอกนะอยู่ไม่นานก็ตายนะจะใหญ่จะโตจะร่ําจะรวยนะจะสวยจะงามแค่ไหนอยู่ไม่นานก็ตายเหมือนเหมือนกำหนดเลย เพราะนะร่างกายเนี่ยเป็นของที่อยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นแค่วัตถุธาตุมารวมกันชั่วคราวมีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจออกหายใจเข้ากินอาหารแล้วก็ขับถ่ายอะไรเงี้ยร่างกายเป็นวัตถุนะเป็นธาตุที่หมุนไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็ต้องคืนให้กับโลกไปนอนแองแมงนะให้เขาเอาไปเผานะก็ต้องสูญเสียไปเนี่ยถ้าเราคอยรู้สึกอยู่ที่ร่างกายเรื่อยๆเราจะเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษจริงหรือนะร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะ ถ้ามาหัดมาดูจิตใจเราก็จะเห็นเลยจิตใจไม่เที่ยงจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะใครมีความสุขนานๆได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมทุกข์ก็ไม่นานนะอย่างที่เล่าตัวอย่างตะกี้วิ่งหาห้องน้ําก็ลืมแล้วเรื่องอกหักมันเปลี่ยนเรื่องทุกข์มันทุกข์เรื่องหาห้องน้ําไม่เจอนะความทุกขเองก็อยู่ชั่วคราวอะไรอไรก็ชั่วคราวนะในชีวิตเรา นี่เราฝึกไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวจิตใจที่ร่าเริงเบิกบานก็ชั่วคราวจิตใจที่โลภที่โกรธที่หลงที่ฟุง้งซ่านที่หดหู่จิตใจทุกชนิดเป็นของชั่วคราวการที่เราเห็นว่าจิตใจทุกชนิดเป็นของชั่วคราวนี่เราจะเกิดปัญญาขึ้นมาเรารู้ว่าจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงนะมันทนอยู่ไม่ได้นะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเวลานะเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งใจเรายอมรับความจริงได้ ว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวอะไรอะไรก็ชั่วคราวถ้าใจเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้นีความทุกข์ในชีวิตจะตกหายไปอย่างมากมายเลยนะอย่างจิตใจร่างกายนี้ของชั่วคราวทั้งหมดเราเฝ้ารู้ไปถ้าความสุขเป็นของชั่วคราวเวลาที่ความสุขหายไปเราจะไม่ทุรนทุรายเรารู้ความจริงอยู่แล้วว่าความสุขมันชั่วคราวถึงมีความสุขขึ้นมานะความสุขอยู่ชั่วคราวความสุขก็ต้องหายไป เรารู้ว่าความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวพอเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเราจะไม่ทุรนทุรายอยากให้มันหายเร็วๆเกลียดมันแล้วเกินไม่อยากให้มันเกิดนะอยากไล่มันเท่าไหร่มันก็ไม่ไปนะถ้ามันมีเหตุนะมันก็เกิดขึ้นมาใจเราหลงไปคิดปรุงแต่งขึ้นมาใจก็ทุกข์ขึ้นมาใจไปปรุงอีกอย่างหนึ่งใจก็สุขขึ้นมาใจไปปรุงอีกแบบหนึ่งใจก็ทุกข์ขึ้นมาทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยอาศัยใจมันปรุงแต่งฟุ้งซ่านขึ้นมาทั้งหมดเลย ถ้าเห็นว่าสุขก็ชัว่วคราวทุกข์ก็ชัว่วคราวดีก็ชัว่วคราวร้ายก็ชัว่วคราวอะไรๆในชีวิตนี้เป็นของชัว่วคราวเราจะสามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้อย่างเข้มแข็งนะอย่างคุณแม่ประยาเนี่ยท่านภาวนามานานหลาย10ปีแล้วท่านเผชิญกับชีวิตได้อย่างเข้มแข็งท่านแก่เห็มเ้าสิปีต้องเรียกว่าท่านแก่แล้วท่านเผชิญความแก่อย่างเข้มแข็งนะท่านดูร่างกายมันแก่นะใจท่านไม่เศร้าหมองไปด้วย นะยังภูมิใจนะเมื่อจีเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าพ่อยังภูมิใจนะมีบุญอยู่มาใต้ถึงป่านนี้ได้ภาวนามาทั้งเยอะนะของเราตีนกาขึ้นอันแรกรู้สึกยังไงถามคุณผู้หญิงนะคุณผู้หญิงตีนกาอันแรกขึ้นรู้สึกไงรู้สึกไหมสดชื่นโอ้เท่ย่างเลยนะไม่ต้องไปตกแต่งแนละ้วมีเส้นรัทธมีนะตีนกาอันแรกขึ้นนี่นะวันไหวมากรู้สึกไหมตีนกาอันที่สิบขึ้นรู้สึกไงชักเฉยๆแล้วเห็นไหมชักชินแล้ว ผมงอกเส้นแรกขึ้นรู้สึกไงชักแย่แล้วใช่ไหมผมงอกเส้นแรกขึ้นแล้วหวั่นไหวเส้นที่พันขึ้นในชักเฉยๆแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นทําไมถ้าท่าใจเรายอมรับความจริงได้นะร่างกายนี้เป็นของแปรปรวนนะมันแก่ขึ้นมาแทนที่จะเสียใจในะี่ยงภูมิใจนะ้ำบุญนะ้ำหยู่มันจนแก่ได้เอเด็กกว่าเราตายไปซะเยอะแล้วเรายังอยู่มาได้นะเพราะั้นแก่แล้วก็แก่อย่างภูมิใจนะไม่ใช่แก่แล้วเสียใจนะ ร่างกายเจ็บไข้ขึ้นมาถ้าเรามีสติจริงๆเราก็เห็ น, น, นความเจ็บไข้เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตมันจะมีความสุขตลอดเวลาได้ไงมันจะต้องเจ็บไข้บ้างถ้าใจยอมรับความจริงของชีวิตตรงนี้ว่ามันต้องเจ็บไข้บ้างเวลาเจ็บไข้ขึ้นมานะว่าไม่ทุรนทุรายนะเห็นว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักบ้างเห็นไหมมีใครไม่เคยพลัดพรากจากสิ่งที่รักมีไหม คงไม่มีนะยังอยู่มานานๆ น, นะพ่อแม่เราก็ต้องตายปู่ย่าตายายเราก็ต้องตายบ้างใช่ไหมแฟนทิง้งแฟนทิ้งก็พลัดพรากจากสิ่งที่รักใช่ไหมของหายใช่ไหมเสียดายแล้วก็พลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีความทุกข์เกิดขึ้นถ้าเรารู้ความจริงของชีวิตว่าอะไรอะไก็เป็นของชั่วคราวนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนที่เรารักก็ชั่วคราว ทรัพย์สินเงินทองข้าวของทั้งหลายนะจะดีจะวิเศษทั้งหลายเราก็ใช้มันได้ชั่วคราวถึงว่าหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปถ้ามันไม่จากเราเราก็ต้องจากมันนะถ้าใจยอมรับความจริงอย่างนี้ได้เวลาความพลัดพรากเกิดขึ้นจะไม่ทุกข์เห็นไหมถ้าเรายอมรับความจริงของชีวิตได้ชีวิตนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์เนี่เต็มไปด้วยความไม่สมหวังเต็มไปด้วยความพลัดพรากนะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเจอคนที่เราไม่ชอบมีบ้างไหมเจอคนที่ไม่ชอบนะบางทีเจอกับสบภาพแวดล้อมที่ไม่ชอบ คนกรุงเทพไม่ชอบฝนตกตอนเย็นเห็นไหมอยากให้ตกกลางคืนอะไย่างนี้ฝนะนตกตอนเย็นรู้สึกไม่ชอบไม่ชอบแล้วฝนหายตกไหมไม่หายเห็นไหมฝนตกเป็นปัญหาใช่ไหมไม่ชอบแล้วใจกลุ้มขึ้นมาเป็นความทุกข์เนี่ยงั้นถ้าเราเห็นว่าเออฝนมันมีเหตุสมควรจะตกมันก็ตกตามเวลาของมันฝนตกก็อย่าไปกลุ้มมันนะกลุ้มมันก็ไม่หายอะไรอยาเงี้ยเราคอยรู้ทันนะความจริงของชีวิตเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ได้สมหวังตลอดเวลาหรอกบางทีก็เจอสิ่งที่ไม่ชอบเหมือนกัน ถ้าเราเห็นว่าการที่เราต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็เป็นธรรมดาของชีวิตนะเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบเราจะไม่ทุรนทุรายเท่าไหร่หรอกงั้นเราหัดมาเจริญสติรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยๆนะเพื่อวันหนึ่งเราจะรู้ความจริงของชีวิตนะร่างกายจิตใจนี้นะไม่มีความคงที่เลยนะร่างกายเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บไปนะมากขึ้นมากขึ้นถึงจุดหนึ่งก็ตายไปไม่เฉพาะเรานะคนที่เรารักวันหนึ่งก็ตายไปทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านมาแล้วผ่านไปหมด สมหวังแล้วก็ผิดหวังผิดหวังแล้วก็สมหวังเนี่ยสมหวังก็ไม่ไม่ไม่อยู่ตลอดไปไใช่ไหมผิดหวังก็ไม่ได้ผิดหวังตลอดไปทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวถ้าเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราก็ทุกไม่เท่าไหรหรอกนะเราจะทุกไม่มากหรอกนั้นเราอยู่ที่เราค่อยๆฝึกใจของเรานะให้มันยอมรับความจริงของชีวิตให้ได้การฝึกจิตฝึกใจให้ยอมรับความจริงของชีวิตนี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญา ไปเฝ้าดูไปนะในชีวิตเราเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวดูลงไปเรื่อยๆถ้าใจยอมรับตรงนี้ได้แก่ก็ไม่กลุ้มนะเจ็บก็ไม่กลุ้มตายก็ไม่กลุ้มพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ไม่กลุ้มเจอกับสิ่งที่ไม่รักก็ไม่กลุ้มอยากได้แล้วไม่สมหวังก็ไม่กลุ้มใจไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่กลุ้มใจหรอกมันกลุ้มใจเพราะมันยอมรับความจริงของชีวิตไม่ได้มันอยากสุขถาวรอยากสงบถาวรอยากดีถาวรนะอยากไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นเลย นะอยากไม่ให้ชีวิตมีปัญหานี่เป็นความอยากที่ไร้เดียงสานะเพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆเต็ไมไปด้วยปัญหานะปัญหาสารพัดเฉะนั้นอยู่ที่เราฝึกจิตฝึกใจของเรายิ่งฝึกตั้งแต่เด็กยิ่งฝึกง่ายนะฝึกตอนอายุเยอะขึ้นได้ฝึกลําบากนะร่างกายมันไม่ค่อยแข็งแรงและนั้นเราฝึกมาตั้งแต่เด็กยังหนุ่มยังสาวเนี่ยเป็นเวลาที่สมควรเกีการที่จะปฏิบัติธรรมมากที่สุดสรุปง่ายๆนะปฏิบัติธรรมขั้นแรกพยายามมีศีลไว้ก่อนนะ จำเป็นนะศีลทำให้จิตใจเราสงบสุขง่ายถัดจากนั้นเราคอยรู้ทันจิตใจของเราเรื่อยๆจิตใจที่ถูกรู้ทันบ่อยๆนั้นมันจะสงบขึ้นมาพอจิตใจสงบแล้วอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วคอยดูกายมันทำงานคอยดูจิตใจมันทำงานไปเรื่อยเราจะเห็นความจริงของกายของใจความจริงของมันคือมันไม่อยู่กับที่เลยมันเปลี่ยนตลอดเวลาความจริงของมันคือมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาความจริงของมันก็คือ ถ้ามีเหตุมันก็เกิดถ้ามไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดนะทุกอย่างเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เป็นอย่างเราจะอกหักก็ต้องมีเหตุใช่ไหมไฟจะไหม้บ้านก็ต้องมีเหตุทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเต็มไปด้วยเหตุกับผลทั้งสิ้นเลยไม่มีอะไรที่เกิดลอยๆทั้งสิ้นเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายมาจากเหตุทั้งนั้นเราบังคับเหตุทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อย่างบางคนทําธุรกิจนะตั้งอกตั้งใจทําอย่างดีเลยอยู่ๆค่าเงินเปลี่ยนไปมากๆเนี่ยนะ นะธุรกิจล้มมาง่ายๆแล้วค่าเงินจะเปลี่ยนเราควบคุมไม่ได้เห็นไหมมันควบคุมไม่ได้แล้วหรือเราทําทุกสิ่งทุกอย่างมาอย่างสมบูรณ์แบบเลยชีวิตนี้หวังว่าจะมีความสุขได้อีกนานเลยมีเงินตั้งเยอะตั้งร้อยล้านกินไปทั้งชาติก็ไม่หมดอะไรเงี้ยอยู่ๆเงินที่ฝากแบงค์แบงค์ล่มไปอะไรเงี้ยเนี่ยอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนี้ไม่แน่นอนทั้งสิ้นเลยนะเราจะต้องเตรียมตัวรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นมานะ สิ่งทั้งหลายเนี่ยเราควบคุมไม่ได้จริงหรอกควบคุมได้บางอย่างเล็กๆน้อยๆกระทั่งร่างกายเรายังควบคุมตลอดเวลาไม่ได้เลยสั่งไม่ให้มันปวดไม่ให้มันเมื่อยยังทําไม่ได้เลยสั่งไม่ให้มันหิวยังทําไม่ได้เลยสั่งไม่ให้มันง่วงก็ทําไม่ได้นะจิตใจจะสั่งให้สุขตลอดเวลาก็ทําไม่ได้ห้ามไม่ให้มันทุกข์ก็ทําไม่ได้ตรงที่คําว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ตรงนี้ภาษาพระเรียกว่าอนัตตาอยู่นอกเหนือการบังคับ ทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามใจที่อยากเนี่ยฝึกไปอย่างนี้นะพอปัญญามันเกิดมันเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตความทุกข์มันจะไม่มากเท่าไหร่หรอกนะ่บนาทีพอดีพอดีนะเอาแค่ความทุกข์น้อยๆก็พอแล้วเนาะมีใครจะคุยกับหลวงพ่อบ้างมีไหมที่นี้เขาจัดแบบไหนล่ะเรียนเชิญที่ไมโครโฟน ได้เลยครับตรงกลางนะครับไมโครโฟนคือขาตั้งของด้านนั้นเรียนเชิญครับก่อนจะถามหลวงพ่อหลวงพ่อถามก่อนพวกเราในห้องเนี้ยเมื่อกี้ใครใจหลอยบ้างเมื่อกี้ใครลืมตัวเองบ้างเห็นไหมแ๊บเดียวพอหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บซุบุบซุ บ, บ, บลืมตัวเองไปหมดเลยนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่อะไรยากๆนะรู้สึกกลัวปล่อย รู้สึกตัวบ่อยๆมันจะเห็นกายมันทํางา น, นเห็นใจมันทํางานถึงมันนึ่งก็เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตห น, นะนึ่งนะนัรู้สึกบ่อยๆใจลอยนั่นแหละศัตรูเบอร์หนึนะอ้าเชิญกับนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะวันนี้ตั้งใจมาส่งการบ้านแล้วก็มาขอรับคําแนะนําเรื่องวิหารธรรมแล้วก็การปฏิบัติอย่างไรให้ก้าวหน้า <c oughs> ถามมันเดียวนะ คลุมตั้งแต่ต้นเดจนจบเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยั้นแรกเราต้องใจปกตินะมันจะร่อนเร่ตลอดเวลาใจเราจะหนีไปตลอดเวลานะเดี๋ยวไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ฟุ้งซ่านตลอดเวลาเราก็เลยต้องมีที่บ้านให้ใจอยู่บ้านที่จะให้ใจอยู่นี่แหละภาษาแขกเรียกว่าวิหารธรรมนะนี่หลวงพ่อต้องแปลเป็นภาษาไทยหน่อยเด็กข้างหลังมันไม่รู้เรื่องนะวิหารธรรมก็คือบ้านที่ให้ใจอยู่นะ บางคนก็เอาพุทโธพุทโธไว้ก็ได้บางคนก็รู้ลมหายใจเอาลมหายใจเป็นบ้านของใจบางคนดูท้องพองยุบก็ได้ไม่ผิดนะบางคนเดินจงกรมยกเท้าย่างท้าบางคนขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนสายหลวงพ่อเทียนใช้ขยับเอานะบางคนรู้อิริยาบทสอะไรก็ไดนะ้หาอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งมาเป็นบ้านให้ใจนะเรารู้อะไรเรารู้ทันใจตัวเองนะสมมุติว่าเราท่องพุทโธพุทโธพุทโธในใจเนี่ยพอใจเราหนีจากพุทโธเราคอยรู้ทัน ใจหลงไปคิดเรื่องอื่นแล้วลืมพุทโธไปแล้วเราคอยรู้ทันหรือเราหัดหายใจไปเรื่อยๆพอใจเราลืมลมหายใจไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทันว่ามันลืมลมหายใจไปแล้วมันจะทําให้เรารู้ตัวได้เร็วขึ้นว่าใจมันหลงไปแล้ววิหาราธรรมในหรือบ้านของใจเนี่ยทำไปเพื่อให้รู้ว่าเจ้าของบ้านมันหนีออกไปจากบ้านแล้วนะก็เราจะสามารถรู้ทันใจของตัวเองได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะคนที่จะเลือกวิหาราธรรมเราก็ต้องดูคนไหนเป็นคนคิดมาก พวกที่คิดมากเนี่ยวิหารธรรมที่ดีก็คือคอยรู้ทันใจของตัวเองเข้าไปเลยนะเอาจิตเนี่ยเป็นวิหารธรรมนะส่วนพวกไหนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะเอาร่างกายเป็นวิหารธรรมไว้เป็นบ้านของจิตนะเช่นเราหายใจไปเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูนะหายใจเข้าหายใจออกนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดู รู้ทันใจพอใจหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าใจหนีไปคิดใจไปเพ่งลมหายใจรู้ว่าใจไปเพ่งเห็นไหมตัวสําคัญที่เรารู้ทันก็คือใจของเราไม่ใช่ไม่ใช่ให้ความสําคัญกับบ้านมากกว่าเจ้าของบ้านเพราใจเรานั่นแหละคือเจ้าของบ้านวิหารธรรมคือบ้า น, นของคุณล่ะเป็นคนคิดมากหรือเป็นคนโลภมากตอบได้ไหมอาจจะทั้งสองอย่างค่ะเออแล้วอะไรเด่นกว่ากัน คิดมากมากกว่าคิดมากนะเด่นกว่าถูกต้องตอบได้หรือยังว่าควรจะดูอะไรดูจิตก็ดูจิตเนี่ยมตอบด้วยตัวเองก็ได้เห็นไมเออนี่สอนแบบทันสมัยนะให้นักเรียนคิดเอง <c oughs> แ, ลแล้วอีกข้อนึ่งล่ะว่าอะไรถามอะไรนะเ อ, อจะให้เจริญก็คือทำอยังไงถึงจะก้าวหน้ามากกว่านี้ให้ให้ก้าวหน้านะก็<น>ะมีสตินะมีสติรู้สึกทันใจของเราเรื่อยๆถ้าเรามีสติเราจะมีศีล ถ้าเรามีสติเราจะมีสมาธิถ้าเรามีสตินะรู้กายรู้ใจมันทํางานไปเรื่อยเราจะเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจเฉะั้นตัวสําคัญมากก็คือความมีสติคอยรู้สึกตัวบ่อยๆกิเลสเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันพราะกิเลสคร่อบงําใจไม่ได้ศีลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะถ้าใจเราฟุ้งซ่านเรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านจะดับไปจิตของเราจะเกิดสมาธิเกิดความสงบโดยอัตโนมัตินะแล้วเราพอจิตใจสงบอยู่ก็เน้อตัวโยมดูกายดูใจมันทํางานไปเรื่อยนะ นั่นแหละทางก้าวหน้ามีอยู่ทางเดียวดูบ่อยๆนะไม่มีทางที่สองหรอกนะไม่มีลูกฟลุกไม่มีลูกแถมฟรีอะไรย่างนี้ไม่มีนะยุติธรรมที่สุดนะธรรมะเนี่ยใครทําใครได้ใครไม่ทําก็ไม่ได้ทําแล้วไม่สมควรเกี่ยธรรมะทํานิดๆหน่อยๆ อ, อยากเป็นพระอรหันต์มันก็ไม่เป็นหรอกนะการนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ส่งการบ้านนะคะตื่นเต้นไหม รู้สึกกัวว่าตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วทำยังไงดีก็ <c oughs> รู้ว่าตื่นเต้นคะออ่ะเห็นไม่ตอบได้อีกค น, น <c oughs> แล้ะเราจะถามอะไระตอบได้หมดน <c oughs> <ม>ะหนูไม่ทราบว่าหนูติดสภาวะทําทอะไรอยู่บ้างไหมคะอย่าไปประคองใจให้นิ่งนะ <c oughs> แล้วคอยรู้ทันเวลาใจเราขุนมัวขึ้นมาคอยรู้ทันนะแต่เราฟุ้งสั้นคอยรู้ทันรู้สึกไหมเราฟุ้งเก่ง <c oughs> รู้สึกค่ะนะใจเราเป็นคนฟุ้งสั้นเก่งเพราะมันฟุ้งไปเราก็รู้ฟุ้งไปเรารู้ไม่ห้ามไม่ฝืน ให้รู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆนะใจมันจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมาเรื่อยๆคะนะแล้วิหารธรรมที่หนูฝึกธรรมดาหนูจะนั่งสมาธิแต่รู้สึกว่าบางครั้งก็แน่นๆนแน่นๆเพราะว่าไปเพ่งไว้น ะ, ะถ้านั่งสมาธิให้ดีเนี่ยก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูฝึกนี้เรื่อยๆน ะ, ะแยกถ้าพูดภาษาพราะบอกว่าแยกขันออกไปร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายมันหายใจอยู่ใจเป็นคนดูนั่งไปนั่งไ ป, งไปมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาเห็นความปวดความเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่ร่างกายนะ ความปวดความเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งจิตใจที่ไปรู้ความปวดความเมื่อยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งค่อยๆแยกไปด้วยขอบคุณเจ้าการหลวงพ่ อ, พอตื่นเต้นรู้สึกไหมฟังหลวงพ่อไม่ค่อยรู้เรื่องรู้สึกไหมร้มันตื่นเต้นนะเอาละสีเล่นเก้ e กา อ, อี้ดนตรีละอย่าถึงขนาดตบตีกันนะกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะ ก็ฝึกมาสัก hey? พักแล้วค่ะแต่ว่าอยากทราบว่าหนูแบบมีจริตแบบจริตแบบหนูว่าแกการฝึกแบบไหนคะเรารู้ไหมล่ะเป็นอะไรก็รู้บ้างไม่รู้บ้างรู้ไหมเราช่างคิดรู้ค่ะนั่นแหละเราค่อยรู้ไปเวลาเราคิดเรื่องนี้ใจเป็นสุขเราก็รู้คิดเรื่องนี้ใจเป็นทุกข์เราก็รู้นะคิดเรื่องนี้โมโหก็รู้ทันว่าใจมันโมโหแล้ว คิดยังไงก็ได้แต่ว่าใจเป็นยังไงขึ้นมาคอยรู้ทันฝึกอย่างนี้บ่อยๆค่ะเราที่หนูฝึกอยู่นิครจะแก้ไขตรงไหนบ้างคะอย่าไปเพ่งให้มันนิ่งนะอย่าไปบังคับจุดที่คุณขาดที่สุดก็คือความสม่ําเสมอในการปฏิบัติขี้เกียจนั่นแหละค่ะก็คือเหมือนกับคือตอนนี้หนูฝึกแบบดูลมหายใจไปเรื่อยๆคือก็ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆสบายๆนะดูแลเห็นร่างกายหายใจนะ เราเป็นแค่คนดูแค่คนรู้สึกเห็นร่างกายมันก็เพิ่มเข้าก็เพิ่มออกนะแต่ส่วนมากพอหายใจแล้วใจชอบหนีไปคิดรู้สึกไหมใช่ค่นะพอตอนหายใจแล้วใจหนีไปคิดรู้รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านล<อ>นะแล้วแล้วอย่าดึงคืนมานะถ้าจิตฟุ้งซ่านแล้วก็อยากให้สงบไปเพ่งจ้องไว้ไปดึงจิตคืนมานะี่ใจจะแน่นๆน่นถ้าภาวน า, นานแล้วใจแน่นแน่นผิดแล้วเก็บกดแล้วเครียดเกินไปคือถ้าสมมเวลาฝึกแล้วมันแน่นแนนี่คือรู้ได้เลยใช่ไหมคะว่ากําลังเพ่งอยู่อ่ะใช่ ค่ะ ข, ขอบพระคุณมากค่ะกับ น, นมสัส ก, การหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อค่ะหนูฝึกมาได้ประมาณหนึ่งปีแล้วอะค่ะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันนี้คือหนูรู้ว่าหนูอะฟุ้งแล้วหนูก็แช่แล้วก็ไหลไปประมาณนี้ค่ะดีที่รู้ทันนะหนึ่งปีนี้เห็นหรือยังว่าใจเราไม่เหมือนเดิมเห็นค่ะนะใจเราเปลี่ยนแล้วใจเราเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วค่ะ รู้สึกไหมเวลาเรารู้สึกตัวใจมันโปร่งโล่งเบาขึ้นมานะรู้สึกหลวพ่อคะ่ะมีบางครั้งอะค่ะหนูรู้สึกแบบหนูมีความสุขแล้วหนูจะแน่นหน้าอกมากเลยคะ่ะแนนเพราบังคับไว้นะเพราไว้กดข่มใจมันจิตใจเราเหมือนเด็กนะค่ะเด็กเนี่ยเราบังคับมากไม่ได้ถ้าเราไปบังคับเด็กเด็กก็เครียดจิตนี้เหมือนกันถ้าเราบังคับจิตจิตก็เครียดนะนั่นเราอย่าไปบังคับมัน แล้วมันเป็นยังไงเราก็ค่อยรู้ไปอย่างที่เขาเป็นมันฟุ้งซ่านรู้ว่ามันฟุ้งซ่านเนี่ยตอนนี้มันฟุ้งซ่านทราบไหมไปไหลไปคิดใช่ค่ะไหลไปคิดนะแล้วก็แค่รู้ทันรู้ทันมันจะกลับมารู้สึกตัวได้แวบหนึ่งเดี๋ยวก็หลงไปคิดใหม่หลงไปคิดใหม่รู้ใหม่คไม่ใช่ฝึกจนไม่หลงนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ฝึกงี้แต่ที่หนูทํามานี่ก็โอเคทาถูกแล้วค่ะขอบคุณค่ะดีใจเห็นไหมดีใจไม่เห็นใช่ไหมจจะรีบเดิน พอนักการจานค่ะแบบจิตรู้รู้ของคนอื่นคิดอยู่ตลอดอยางจะแก้ไขอะไรนะะจิตไปรู้จิตคนอื่นเหรอค่ะไปรู้เอ้เรากลับมาดูกายของเราเองไหมมาดูค่ะแต่ ด, ดูร่างกายของเร า, าไว้อย่าไปดูจิตคนอื่นคดูจิตคนอื่นง่ายนะในดูจิตตัวเองอะดูยากเพราะฉะนั้นก่อนจะกลับมาดูจิตตัวเองอยู่ๆให้มันมากลับมาดูมันยังไม่ยอมหรอกจิตมันเหมือนเจ้าของบ้านร่างกายเหมือนบ้าน เรายัางหาเจ้าของบ้านไม่เจอเรามาเฝ้าหน้าบ้านไว้ก่อนเพราะฉะนั้นโยมพยักหน้าโยมรู้สึกเห็นร่างกายพยักหน้าเลยเนี่ย<ะ>มันจะไม่สนใจจิตคนอื่นมันจะกลับมาอยู่ที่ตัวเองเดี๋ยวก็กลับมาดูจิตตัวเองได้กลับไปดูกายตัวเองบ่อยๆข อ, <ะ>ขอบคุณค่ะกล่าวในมรสการเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะหนูเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะหนูจะเป็นไงหนูเลยบอกมาหนูเป็นยังไงก็ คราวก่อนมันจะรู้สึกตัวได้ดีกว่านี้ค่ะ<อ>แล้วหลังๆมันก็ก็ดูเป็นสีใจเราฟารุ้งซ่านเราก็รู้ว่าฟานะุ้งซ่านนะเนี่ยเราตื่นเต้นรู้สึกไหมแล้วเราเขินด้วยรู้สึกไหมไม่ใช่ตื่นเต้นอย่างเดียวแถมเขินไปด้วยเอาทุกคนช่วยกันหันไปดูคุณคนนี้รู้รสึกไหมความเขินมากขึ้นนะนี่คอยรู้ทันความรู้สึกของเราไปบ่อยๆนะบางทีมันมีความรู้สึกที่แบบ รู้สึกว่าอย่างมองหน้าลูกชายจะรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปแต่ว่ามันเป็นชั่วแวบเดียว อ, อย่างนั้นใช้ได้อะไรเปลี่ยนรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปเฉยๆลูกชายเปลี่ยน<ๆ>ลูกชายเปลี่ยนไปแค่มันเป็นแค่จังหวะเดียวหนูก็ไม่รู้ว่าเกิดเปลี่ยนจากไหนไปไหนอ่ะมันรู้สึกว่ามันแปลกไปอ๋อใช่เราเริ่มเห็นความจริงแล้วสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นลูกชายเรานะจริงๆเป็นวัตถุก้อนหนึ่งรู้สึกไหมรู้สึกเจ้าค่ะโอแล้วตกใจรู้สึกไหม เขตกใจเจ้าค่ะแต่ว่าหลังๆมันจะมาถี่ขึ้นไม่เป็นไรนะเราก็รักลูกเราทําหน้าที่ของลูกไปจริงๆลูกเราก็เป็นแบบนั้นแหละแล้วอย่างบางจังหวะจะเห็นร่างกายบางส่วนคือไม่ได้เห็นทั้งตัวเห็นแค่บางส่วนว่ามันไม่ใช่ของเราเนั่นแหละเริ่มเห็นถูกต้องแนละ้วแต่ท่านอาจามันเป็นแค่ขณะสั้นๆเท่านั้นอเองถูกต้องแล้วเวลาปัญญาเกิดเกิดเป็นขณะไม่เกิดเป็นชั่วโมงหรอกแ ต, แต่ก่อนนะคะเหมือนกับว่าเคยรู้สึกว่าร่างกายเหมือนกับว่าสามารถที่จะ มีสัมปชัญญะในร่างกายได้นานกว่านี้ค่ะอแต่ว่ามันหายไปอะค่ะพยายามรู้สึกร่างกายบ่อยๆนะต้อง<ช> ท, ทำในรูปแบบนะเช่นเวลาทํางานบ้านเนี่ยเห็นร่างกายทํางานบ้านไปเรื่อยไม่ใช่ทำงานบ้านใจลอยไปเรื่อยๆนะหรือฟังเพลงไปเรื่อยๆดูใจไว้บ้างเจ้าค่ะนะมันคงหายไปแล้วหรือเปล่าคะอะไรนะมันจะกลับมาได้อีกไหมเจ้าค่ะมาได้นะถ้าเราทําเหตุ งั้นเราทํางานบ้านไปแล้วเราก็คอยรู้ทันใจที่ไหลไปคิดแว๊บแป๊บแปรู้อย่างนี้บ่อยๆนะเดี๋ยวมันก็กลับมาใจมันหนีไปเที่ยวธรรมัสการเจ้าค่ะจะขอโอกาสหลวงพ่อให้แนะนําคุณพ่อเจ้าค่ะคุณพ่ออยากให้แนะนำหรอคุณพ่อไม่เขินนิดนึงเจ้าค่ะคุณพ่อเขินเหรอให้คุณพ่อรู้ว่าใจเขินไปการปฏิบัติไม่ยากหรอกนะรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆ อย่างเภาวนาเราก็จะเห็นเลยลูกเราเนี่ยแต่และ ว, วันน่ารักไม่เท่ากันบางวันน่าตีอะไรอย่างเงี้ยน่ารักขึ้นมาก็รู้น่าตีขึ้นมาก็รู้รู้ทันใจตัวเองบ่อยๆอยอาเชิญน้ามาตการครับหลวงพ่อจะมาส่งการบ้านด้วยแล้วก็ขอการบ้านใหม่ไปทําด้วยครับแล้วอ่ะส่งมาคราวที่แล้วที่หลวงพ่อเคยฝากเอาไว้ว่าไม่ระวังอย่าให้โลคมันดึงเราไปเป็นเวลาเดียวยาวก็มารู้สึกว่าพอเวลาเรามีงานต้องทําหรือว่า ใช้คอมพิวเตอร์หรือทำอะไรเงี้ยครับเหมือนกับว่าเราจะหลงไปโดยที่ไอ้ น, นั้นจําเป็นเป็นเวลาเวล า, าที่เราทํางานที่ต้องใช้ความคิดนะเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้นะเพราะเมื่อกี้หลวงพ่อบอกแล้วนะว่าจิตใจเรารู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอมันไปรู้เรื่องงานมันต้องไปคิดซะแล้วเนี่ยรู้กายรู้ใจไม่ได้อ น, นี่เป็น ป, ปัจจุบันทำยังไงก็ไม่รู้แต่พอทํางานไปทํางานไปเกิดขี้เกียจที่มาขี้เกียจไม่ใช่งานนะล้วก็รู้ทันว่าขี้เกียจนะงานออกมาดีคนชมเราดีใจรู้ว่าดีใจ งานออกมาล้มเหลวเราเสียใจรู้ว่าเสียใจนะก็ค่อยปฏิบัติอย่างนั้นตอนทํางานมันไม่รู้หรอกแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะถามหลวงพ่อครับก็คือตอนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปส่วนสันติธรรมตอนที่หลวงพ่อกําลังเทศให้แล้วก็ตรวจกันบ้านให้กับอีกคนหนึ่งอยู่ครับมันเกิดอาการเหมือนว่าเราเห็นภาพรอบๆข้างหลวงพ่อแต่ออกมาเป็นเม็ดสีแล้วก็ไม่มีมิติคือไม่มีอะไรเลยก็ไม่รู้ก็แค่เห็นนะนเห็นอย่างนั้นก็เห็นไป จริงๆเราเห็นแค่สีเท่านั้นใช่ก็ตามรู้มันไปแล้วพอสักพักหนึ่งมันก็หายไปเองแต่ณตาเรามองเห็นแล้วตาเราเห็นเม็ดสีทำไงต่อใจเราเป็นยังไงก็ตอนแรกรู้สึกตกใจครับก็เห็นตัวที่จะดูเนี่ยนะไม่ใช่ดูเม็ดสีแล้วดูว่าตกใจดูว่าตกใจเนี่ยเลยอย่างนี้รู้ว่ามันไหลไปดูกับตรงนั้นใช่ได้การที่เรารู้ทันว่าใจเราไหลไปนั้นใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาใจมันจะมาอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกไหมใจเราตั้งมั่นขึ้นมา รู้สึกครับพอนาดีขึ้นเยอะเลยนะครับคุณครับตอแรกนึกว่าผิดพลาดทางเทคนิคอะไรหรือเปล่าไม่พลาดสิพลาดใจไม่ตั้งมั่นอย่างนี้นะรู้สึกไหมใจมันรู้มันตื่นมันเบิก บ, บานเริ่มรู้สึกขึ้นแล้วครับไปฝึกต่อไปครับคุณครับกับมรดการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อครับคือใจเนี่ยมันจะคอยคิดถึงแต่เรื่องกรรมที่เคยทําเนี่ยค่ะทํำยังไงอะค่ะห้ามมันไม่ได้หรอกหาเรื่องอื่นมาคิดแทนคิดเรื่องบุญที่เคยทําบ้าง เรื่องบุญที่เคยทำใช่ไหมคะเออไปคิดถึงบุญที่เคยทําถ้าโาพวนาฟุตโธนี่ช่วยได้ไม้มครหลวงพ่อได้แต่ว่าได้ชั่วคราวเนะหรอค ะ, <He ard S 1> ะอย่าลืมฟุตโถก็กลับไปคิดใหม่ค่ะแล้วมีอะไรที่ที่ที่หลวงพ่อจะแนะนํามั่งละคือจริงๆอากรุ่นใดๆที่ทําไปแล้วเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้ละค่ะอดีตผ่านไปแล้วนะปล่อยมันไปเถอะค่ะใจเรากังวลขึ้นมาในปัจจุบันเศร้าหมองขึ้นในปัจจุบันเรารู้ทันว่าใจเราเศร้าหมองนะมากลับมารู้โลงปัจจุบันไป อดีตนั้นผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้แต่พอเราไปคิดขึ้นมาจิตเศร้าหมองให้มีสติรู้ว่าจิตเศร้าหมองนะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็รู้ด้วยความเป็นกลางอย่าอยากหายถ้าอยากให้หายเศร้าหมองอยากให้จิตดีมันจะไม่ดีหรอกเพราะความอยากเป็นกิเลสไม่ทําให้จิตดีขึ้นหลวงพ่อท่านละที่ทําอยู่เป็นยังไงบ้างคะก็ดีเองนะดีเหรคะหลวงพ่อดีไปดูบ่อยๆคือฟังแผ่นเสียดีหลวงพ่อแล้วก็ไม่เคยทํา คือไม่เคยไปปฏิบัติที่หลวงพ่อเลยน่าสังเกตไหมละ่ะเราเห็นใจของเราเองได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นค ร, รู้สึกไหมใจเราสบายขึ้นโปร่งโล่งเบาขึ้นดูออกไหมออกนะความทุกข์มันเริ่มลดลงลดลงรู้สึกไหมมันเริ่มสั้นลงนี่แหละฝึกไปดีขึ้นแล้วล่ะขอบพระคุณค่ะถ้าฝึกปฏิบัตินะความทุกข์จะสั้นลงเรื่อยๆความทุกข์จะเบาลงเรื่อยๆกับน้ำมศการหลวงพ่อครับอคือ ส่งการบ้านครั้งที่แล้วครับหลวงพ่อบอกว่ายังไม่เป็นกลางแล้วก็ยังเพ่งอยู่ครับหลวงพ่อก็ดีขึ้นแล้วล่ะครับแล้วก็มีครั้งนึ่งครับหลวงพ่อมันไปเห็นสภาวะที่มันแบบว่ามันเป็นแบบว่ายิบๆครับวัยยิบๆแล้วมันก็อึดอัดะครับหลวงพ่อวัยยิบๆน่าอย่าจงใจดูถ้าจงใจดูมันจะอึดอัดครับนะดูไหวยิบๆไปเหมือนดูอะไรอย่างหนึ่งแต่อย่าถลําลงไปจ้องครับดูห่างๆ หลวงพ่อแล้วพอมันยิบยิบแล้วครับระาดใจมัน เ, เกิดตัณหาขึ้นมาครับไอตัวยิบยิบนี่มันจะแบบแรงขึ้นนะครับหลวงพ่อใช่<อ>ถูกต้องแล้วห้าม ม, มันไม่ได้หรอกนะรู้ด้วยความเป็นกลางอย่าถล่ลงไปจ้องขอวิหารธรรมหลวงพ่อครับที่ฝึกอยู่ใช้ได้ไปดูต่อไปนะขอบคุณมากครับก่าวนามสกันตัวค่ะหลวงพ่อก็คือว่า ได้ลองฟังซีดีอะค่ะแล้วก็ลองฝึกดูใจตัวเองบางทีเราจะแบบว่ามีความสึกเหมือนแบบเราคิดอะไรขึ้นมาอย่างหนึง่งแล้วเรารู้ทันมันออืเราก็เราก็จะคิดต่อแบบมไม่ใช่คิดตรงจุดนั้นต่อแต่เหมือนจะมีอีกคนหนึ่งที่คิดคิดกับจุดนี้ยแทนเราใช่แล้วบางทีมันมันก็จะหายไปบางทีก็จะถล่ําลึกลงไปออดีที่รู้ทันนะเขารู้อย่างนั้นแหละเรียนรู้อย่างนั้นแหละถึงวันหนึ่งเราจะเห็นความจริงเลยว่าจิตใจมันทํางานของมันเองนะ เวลาคิดก็คิดได้เองใช่ไหม<ช>เวลา<ช>โลกโลกิดหลงไม่ก็เป็นของมันเองเราตามดูไปเรื่อยถึงวันนึงเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกเหมือนมีสองคนในร่างเดียวนั้นมีสองคนใช่ไหมอ๋อถูกต้องแนละ้วคนนึงแสดงไปคนหนึ่งดูบางคนมีสามคนนะเถียงกันไปเถียงกันมาอยู่คู่หนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการแล้วก็อย่างเวลาก่อนนอนอย่างเงี้ยค่ะก็ เวลาลมตัวลงนอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเออเวลาจะนอนเราอยากจะสงบแต่พอพอรลรนิ่งปุ๊บเหมือนติดเราจะลงไปที่ลมหายใจทันทีออจิตมันเคยชินจะไปรู้ลมก็ให้มันไปไม่แต่แบบปกติเวลาใช้ชีวิตทั่วๆไปเราจะไม่ได้สนใจว่าลมหายใจเราจะสั้นจะยาวจะจังหวะไหนแล้วพอจุดจุดหนึ่งที่เรากลับมาสนใจมันเนี้ยบางที่แบบหายใจไปปุ๊บเฮ้ยลืมหายใจอะไรเงี้ยก็มีแบบประมาณว่าหายใจยาวแล้วยุดไปนานๆเลยสัมผันะ่ามาหายใจยังไง ให้คอยรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆเช่นหายใจไปแล้วอุ้ยเนี่ยหลงไปคิดละนะก็รู้ว่าหลงไปคิดคอยรู้ทันใจตัวเองหายใจแล้วก็คอยรู้เล่นๆไปนะอย่าไปตั้งใจรู้แรงนะเดี๋ยวไม่หลับถ้าเกิดถ้าเกิดไม่สนใจลงหายต่ก็หลับไปเลยใช่แต่ว่าหลวงพ่อไม่ห่วงหรอกว่าคุณจะนอนไม่หลับถ้าทางหลับเก่งเอาเลยค่ นมสัสกการหลวงพ่อคะอ่ะโยมรู้สึกว่าเป็นคนเจ้าโทสะเน่เหลังๆเนี่ยพอดูความโกรด น, นี่มันจะพุ่งปีดแล้วมันลงแต่มันแรงขึ้นแต่ทีนี้โยมสงสัยว่าทำอะไรผิดไปหรือเปล่าไม่ผิดหราเพียงแต่แต่ก่อนเรากวดเอาไว้<ะ>แล้วเราทำสมาธิอะไรเงี้ยเราบังคับจิตเราให้มันนิ่งๆอยู่พอเราเลิกบังคับนั้นมันจะโมโหแรงกว่าคนธรรมาดาเก็บกวดมานานก็โกรธคิดดอกเบีย้ยเรา แตอนนี้ยังติดเพ่งอยู่หรือเปล่าคะน้อยลงไปเยอะละรู้สึกแม่ใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เยอะขึ้นถ้าติดเพ่งอยู่นะใจเราคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันไหวเยอะขึ้ น, นะะใช่นั่นแะหละดีเราต้องการเห็นอ น, นิจจังนะแม้ให้มันไหวไปแล้วเราตามดูแต่นี้มันจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเวลาเข้าไปดูอกศุศลและจิตนะคะมันจะมีความรู้สึกว่ามันมันทุกข์ใจมันบีบคั้นเยอะมากไม่รู้แทนใจที่ไม่ชอบ นะรู้ทันใจที่ไม่ชอบไปออ๋ที่มันบีบคั้นเพราะว่าใจเราไม่ชอบเ่อปฏิเสธความจริงที่กําลังเป็นอยู่ความจริงที่กาลังเป็นอยู่คือจิตมี อ, อกุศลถ้าเมื่อไหร่เราปฏิเสธสภาวะที่กําลังเป็นอยู่นะความทุกข์มันจะเกิดขึ้นนะถ้าจิตเป็นอกุศลแค่รู้ว่าเป็นอกุศลนะความทุกข์ยังไม่มีอมีอีกอย่างหนึ่งเวลาโยมดูความรู้สึกทางจิตเนี่ยฮะจะมีความรู้สึกว่ามันมีตัวหนึ่งที่มันมีความรู้สึกว่าเรายึด มีตัวเข้าไปยึดก็ดูไปว่ามีตัวยึดนะ่ะไม่ห้ามหรอกอดีที่เห็นนี้ดูสลับกันได้ใช่ไหมมันเปลี่ยนของมันเองไม่ใช่จงใจนะมีอะไรให้รู้ร่วนั้นไม่ได้จงใจว่าจะรู้ตัวไหนเนะอที่ทํามานี้ถูกแล้วใช่ไหมคะดีขึ้นแล้วละแต่ก่อนมันเพ่งลูกเดียวอ๋อแล้ววิหารธรรมที่ควรจะใช้เป็นต่อนั่นแหละนะเราช่างคิดดูดูจิตไปอ๋ค่ะมีมีอันไหนต้องแก้ไหมคะไม่แก้นะไปได้ละ <c oughs> มาสการครับคือเวลาที่ผมเรียนนะครับแบบวันไหนถ้ามีเรื่องผมจะเรียนไม่รู้เรื่องเลยครับแบบเนาะไม่ได้มิสบายใจมันไปคิดเรื่องที่มีเรื่องเหรอใช่ไหมครับออถงว่าว่าจะมีวิธีให้แบบสติกลับมาแบบให้คอยรู้ทันให้คอยรู้ทันนะถึมว่าเราคิดถึงสาวเนี้ยเราก็รู้ทันว่าใจมันวิ่งไปหาสาวแล้วไม่ฟังอาจารย์แล้ะเนี้ยนะเนี่ยคอยรู้ทันจิตตัวเองอย่างนี้บ่อยๆไปครับรู้จักใจลอยไหม ก็มีบ้างครับไม่ใช่มีบ้างอ่ะมีทั้งวันนะ <อบ S 1> ครับใครก็ใจลอยทั้งวันแหละเดี๋ยวก็หนีไปคิดแวบแวบแวบนะลืมตัวเองทั้งวันนะไปคอยดูนะดูใจพอใจมันลอยไปแล้วรู้ทันใจลอยแล้วรู้ทันแต่อย่าไปเพ่งตอนนี้เริ่มเพ่งให้จิตนิ่งลนะสังเกตไหมถ้าเราไปเพ่งนะจิตจะแน่นๆตอนนี้เริ่มแน่นละรู้สึกไห ม, รมเริ่มเครียดเพราะเราอย่าไปเพ่งให้มันนิ่งนะใจลอยแล้วรู้ทันเห็นไหมเมื่อกี้มีความสุขผุดขึ้นมา นั่นแหละรู้อย่างนั้นแหละครับอ่ะไปนะครับกลับมาสักกลัมาสักกา ร, การหลวงพ่อครับเผื่อผมเองก็ได้เริ่มปฏิศึกษาธรรมะเมื่อตอนอายุสิบสองแต่ว่าแต่ว่าตัวเองรู้สึกว่าปฏิบัติผิดมาตลอดครับโดยการที่ว่าเออรู้ครั้งแรกเนี่ยมีการกําหนดนะครับแต่มารู้จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าผมปฏิบัติผิดมาแล้วทีนี้ผมมาได้ฟังซีดีหลวงพ่อประมาณปีกว่า ได้จะทําให้ผมรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันตื่นขึ้นมาแล้วครับอฮะแต่แล้วก็ไปตัวเองอก็รู้เลยว่าตัวเองอเป็นคนขี้โมโหอ๋อดจีจริงจริงทั้งโมโหทั้งโลภทั้งโกรธ<ม>ทั้งหลงอะไรองี้ครับ<ม>ทุกอย่างค ร, <ม>ครบหมดเลยครับอ๋อดีดีด<ะ>ที่รู้นะแล้วก็ฟังล<ม>หลงซีดีหลวงพ่อมาหลวงพ่อบอกว่า อ, อรู้อะไรก็รู้ไปเนืองๆรู้แบบซื่อๆผมก็พยายามทํำตาม ท, า ท, า ท, า ท, าที่หลวงพ่อบอกแบบแบบว่าเป็นเด็กไม่เดือดครับแล้วมาช่วงเนี้ย ผมวาเจอหลวงพ่อครั้งที่สามผมจะมาขอการบ้านก็เป็นครั้งนี้ครั้งที่3มแล้วเลยมาขอการบ้านหลวงพ่อละครับที่<อ> ค, คุณฝึกแล้วมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับรู้สึกตัวไหมรู้สึกครับเราตามรู้ตามดูไปเริ่มเห็นความจริงเลยใช่ไหมร่างกายมันเริ่มห่างออกไปครดูออกไหมตัวนี้ก็เริ่มดูออกบางครั้งก็ออกมัางไม่ออกม้างอะนะก็ดูเป็นคราวๆก็ยังดีเห็นไหมความสุขความทุกข์ก็สิ่งที่เราห้ามมันไม่ได้ ใจจะโกรธก็ห้ามไม่ได้ดูออกไหมออกใจจะฟุง้งซ่านก็ห้ามไม่ได้ครับเราตามดูไปเราจะเห็นเน่ยทั้งกายทั้งใจเนี่ยนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบังคับไม่ได้จริงหรอกครับนะดูอย่างนี้บ่อยๆไปครับนะเชิญขอบคุณครับกรรมนักสักการะหลวงพ่อครับขอเท้าความคุณผู้หญิงท่านแรกเกี่ยวกับเรื่องวิหารธรรมนะฮะหลวงพ่อว่าเอาจิตเป็นวิหารธรรมเมื่อเรารู้จิตนี่ สภาพที่ตอนที่เรารู้จิตนั้นคือจิตเราถึงฐานแล้วใช่ไหมครัหลวงพ่อคือถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงนะเห็นโดยไม่ได้จงใจจะเห็นเนีมันถึงฐานของมันแล้แต่ถ้าจงใจจะดูนะไมจะไม่ถึงฐานแล้วจะเคลื่อนไปอย่างสมมติว่าตอนนี้อยู่ๆคุณก็ไหนดูซิจิตเป็นยังไงจ้องลงไปนะจะเที่ยวควานหาลนะควานไปควานมาพอไปเห็นอะไรเข้าไปจ้องใส่เรานึกว่าเราดูจิตอยู่จริงๆเราเอาจิตไปดูในตอนนี้จิตไปคิดทราบไหม ใช่เนี่ยคุณหัดรู้อย่างนี้ง่ายๆเลยจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตนี้ไปคิดก็รู้ถ้าคิดไปนานหน่อยโลภขึ้นมาเราก็รู้คิดไปนานหน่อยโกรธขึ้นมาเราก็รู้นะคอรู้ทันใจของเราเรื่อยอย่าประคองใจให้นิง่งตอนนี้เริ่มประคองใจให้นิง่งใช่ค่ะอย่าประคองคถ้าเราประคองใจให้นิง่งมันจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงให้ดูเราต้องการเห็นไตรลักษณ์เนะีย่ยตอนนี้จิตไปคิดอีกแล้วทราบไหมครับเนี่ยดูอย่างนี้นะรู้สึกมไหมมีอยู่บูบหนึ่งที่เรารู้ทันว่าจิตไปคิดตัวนั้นแหละจิตมันตื่นขึ้นมา เขาจะมีสองตัวม mm ีตัวบนอยู่ตัวหนึ่งตัวล่างอยู่ตัวหนึ่งเราจะไม่เอาทั้งสองตัวไม่ได้เอาทั้งสองตัวนะสติไปรู้ตัวไหนก็เอาตัวนั้นก็รู้ตัวนั้นเลยโดยเฉพาะตัวบนอย่าไปเพ่งใส่มันถ้าเพ่งแล้วจิตจะนิ่งๆไปเลยมักจะเพ่งตัวบนอยู่เรื่อยเราอย่าไปเพ่งตัวบนเดี๋ยวติดสมถะตอนนี้ไม่ทราบที่ปฏิบัติอยู่เป็นยังไงบ้างดีเท่านี้่ใช้ได้ละไปดูบ่อยๆขอขอถามเรื่องฐานของจิตอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะหลวงพ่อ ฐานของจิตนี่ไม่ทราบว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วแต่อารมณ์ของสถานทั้งสี่ที่เราจะเป็นใช่ใช่มันเปลี่ยนตลอดอ่ะไม่ได้ตื่นฐานของจิตไม่ใช่ว่าอยู่ที่ฐานที่ก้นที่ต้องเพ่ไม่ใช่อะไรอ่างเงี้ไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่นะแตเดิมเราฝึกเอาฐานนันเดียวก่อนนะเช่นมารู้ลมหายใจจิตนี้ไปจากลมหายใจแล้วก็รู้ทันอย่างเงี้ยในสุดรู้ทันจิตที่มาจิตก็ตื่นขึ้นมา พอจิตมันตื่นมาบางทีมันก็รู้กายบางทีก็รู้ i, รเวทนาบางทีก็รู้จิตนะหมุนไปเรื่อยๆไม่คงที่ละเมืองซ้นเอาอันเดียวแต่ว่าพอสติตัวจริงเกิดแล้วมันไม่อยู่กับที่ละเพราะว่ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าจะต้องคือตอนแรกฟังว่าฐานของจิตเนี่ยก็เลยคิดว่ามันจะมีอยู่สภาวะเดียวเลยทุกอย่างที่จะอย่างนี้เคลียร์มากเลยฮะขอบพระคุณฮะหลวงพ่อครับกราบนัสุการหลวงพ่อครับ คือก็ผมผมได้ปฏิบัติมาประมาณปีหนึ่งแล้วครับจากซีหลวงพ่ออืแล้วคือขนาดนี้ไม่มีคําถามครับอืเพราะว่าความสงสัยเหมือนดังที่หลวงพ่อพูดครับพอมันเกิดเรารู้ทั น, นก็ดับที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะแต่มันเริ่มตื่นแล้วครับนะรู้สึกไม่ร่างกายที่ไปยักหน้าอะไรนี้มันเริ่มไม่เป็นตัวเราแล้วดูออกไหมเพราะจะดูออกครับนะดูไปหนะ้าสุดท้ายมันจะเห็นเลยตัวเราจริงๆไม่มีหรอมันจะว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตน ถ้าตัวเราไม่มีแล้วใครจะทุกข์มันจะไม่มีคนทุกข์นะ ค, ความทุกข์มันจะมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของอะ่ะให้ค่อยฝึกไปเรื่อยดีฝึกมาได้ดีครับพ่อครับเออขออนุญาตขอกันบ้านนะครับไปทําต่อสินะ ร, รู้สึกกายรู้สึกใจดูกายทํางานดูใจทํางานไปดูอย่างเป็นกลางถ้ามันไม่เป็นกลางก็รู้ทันเช่นกิเลสเกิดแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบความสุขเกิดแล้วชอบรู้ว่าชอบน่รู้ทันใจที่มันไม่เป็นกลางบ่อยๆ ภาวนาได้ดีคุณนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูว่าหนูค่ําควรลดลงค่ะลดลงรู้สึกไหมใจเราเข้มแข็งขึ้นค่ะมาเรียนกับหลวงพ่อน ะ, ะหลวงพ่อไม่ปล่อยให้คล่าควรนะเสียเวลาแต่หนูว่าหนูตอนนี้หนูเห็นว่าหนูอัตราสูงค่ะดีที่เห็นแต่ก่อนสูงแต่ไม่เห็นคือเมื่อกี้ยกมือก็เห็นอัตรา ย, ยกตาเ อ, อดีที่เห็นภ<ะ>าวานาเริ่มเป็นแล้วล่ะ โอเคงั้นมาถูกทางพระอาจารย์คะแล้วก็เมื่อวานหนูไปสวดมนต์ที่วัดช น, น่ะคะ่ะแล้วมันมีคําแปลเป็นภาษาไทยที่สวดเกี่ยวกับกายอะไรสักอย่างว่ากายเป็นทุกข์จิตมันสวดไม่ได้คะ่ะเพราะจิตมันร้องไห้ออกมาออให้รู้ทันจิตที่มันทนยอมรับความจริงไม่ได้มันรักกายมากแล้วก็อีกอย่างหนึงหนูสังเกตว่าหนูไม่เหมาะกับการนั่งสมาธิค่ะมันฟุงสร้างเก่งนะเพราะฉะนั้นแล้วลําใจเราชอบเคลื่อนไหว อยู่กับที่ไม่ได้หงุดหงิดหาอะไรที่เคลื่อนไหวทํำไปเพราะฉะนั้นก่อนนอนหนูนั่งสมาธิไม่ได้ใช่ไหมคะไปเดินเอาสิหรือไม่ก็ไปหางานบ้านทำไปเรื่อยๆก่อนนอนค่ะก่อนนอนก็ทำได้นะจัดที่นอนอะไรเงี้ยเห็นจัดที่นอนเนี่ยเราต้องใช้ร่างกายเคลื่อนไหวเงี้ยจัดภาพปัดขี้ฝุ่นนะวางม้อนอะไรเงี้ย เห็นร่างกายเคลื่อนไหวแบบรู้สึกตอนนี้ดูกายแทนใช่ไหมคะเพราะพระอาจารย์เคยบอกให้หนูดูจิตเพราะหนูเป็นคนฟุ้งซ่านอ่าตอนนี้จิตเราเริ่มตั้งมั่นแล้วถ้าดูกายบ้างใจมันจะมีแรงมากกว่านี้โอเคขอบคุณค่ะอ๋อหนูขอถวายการปฏิบัติให้กับพระอาจารย์นะโมตนาสาธุชอบที่สุดเลยนี่ฟ้าร้องเลยดีใจถวายการปฏิบัตินมรดกการหลวงพ่อนะครับ คาว่าสติใช่เป็นเรื่องของการที่ความรู้ของกายและใจมันรวมลงมาตรงกลางเอาไม่ไม่ไมไมจาเป็นต้องขนาดนัน้นนะสติมปนแค่รู้ทันเท่านั้นเองเช่นรู้ทันว่ากาลังหายใจออกรู้ทันว่ากาลังหายใจเข้ารู้ทันว่าพยักหน้าเห็นร่างกายเคลื่อนไหว ร, <ม>รู้ทันว่าโลภโกรธหลงอะไรเนี้อคเวลา<ส><ส>เราตามดูจิตปุ๊บสักครู่หนึ่งเนี่ยมัน มันรวมลงมาอยู่ตรงกลางอันนั้นมันจะเป็นสมาธิละเป็นสมาธิแล้วมันก็ไปรู้ลมหายใจอ่านั้นเป็นสมาธิเห็นไหมจิตเป็นสงบรู้ลมหายใจอย่างเดียวอันนั้นจะเป็นสมาธิของผมนี่ต้องรู้จิตหรือว่ารู้กายของคุณถ้าใจมันชอบลมนะมันจะลงไปที่ลมเราก็รู้ทันว่าใจเราไหลไปอยู่กับลมละพอไปอยู่กับลมหายใจบางวันก็มีความสุขขึ้นมาก็รู้ว่ามีความสุขบางวันฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านบางวันก็ซึมซึมไปรู้ว่าซึมนะของคุณระวังความซึมเท่านั้นแหละก็ที่ นั่งสมาธิมาประมาณสี่เดือนเนี่ยมีบางครั้งที่รู้สึกเหมือนกับว่าเราดูกายเราหายใจอยู่อันนี้ถูกต้องไห<ด><ล>ย่างั้นแล้วก็อีกอันนึงก็ว่าอยากขอความรู้หลวงพ่อเรื่องอินทรีย์สังวรอินเสียสังวรเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อตามมองเห็นรูปนะความยินดียินร้ายเกิดที่จิตเราค่อยรู้ทันหูได้ยินเสียงความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้เรารู้ทันจมูกได้กลิ่นเลินได้รสกายสัมผัสใจมันคิด ความยินดีินร้ายเกิดที่จิตให้เรามีสติรู้ทันแสดงว่าเราต้องรู้ทันรู้ทันทีเลที่เกิดขึ้นที่ใจเราเนี่ยเรียกว่าอินทรียสังวรตัวจริงเลยยกไปในเรื่องงานด้ายครับใช่ตอนนี้งานผมที่ทำเนี่ยเป็นงานทําผ่าตัดเหตุร่างกายคนไข้อ่าอันนี้เราจะน้อมเข้ามางานงานเลยนะงานทําผ่าตัดผ่าตัดแล้วครัตั้งใจผ่าตัดนะอย่าเจริญสติตอนนั้นนะก็ช่วงหลังนี้ก็ฟัง MP3 หลวงพ่อไปด้วยแล้วทําผ่าตัดไปด้วย อย่างน้อยใจเครียดขึ้นมารู้ทันใจเป็นยังไงคอยรู้ทันแต่คุณหมออย่าฟังจนจิตรวมกันแล้วกันนะเดี๋ยวไปปัดอะไรเข้าไม่รู้ขึ้นมาจริงๆแล้ววิหารธรรมของผมเนี่ยต้องอะไรแน่ก็เลยรแบบับกายกายใหมกายแล้วก็อีกอย่าง น, นึงก็คือว่าจะที่ที่ปฏิบัติมานี้เป็นอย่างไรบ้างครับที่ปฏิบัติมาใช้ได้นะสมาธิเนี่ยค่อนข้างหนักแน่นดี เพ้นคุณหมอดู ก, กายไปเรื่อยเลยเห็นร่างกายพยักหน้าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นแค่คนดูนะไม่ได้เพ่งกายนะไม่ได้เพ่งจนกระทั่งจิตนิ่งๆอย่างเมื่อกี้จิตมันกระชอกขึ้นมา ร, ร, มรู้สึก้รูสึกเรารู้กายที่เคลื่อนไหวนะพอจิตมันไหวเราก็เห็นด้วยอย่างบางทีผมดูคนไข้แล้วก็รู้สึกว่าไอ้แข้งเนี่ยมันไ ม, ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเห็นถูกล้คุณหมอดู ก, กายไปมันไม่รู้ทั้งตัวนะหลวงพ่อไม่มไม่เป็นไรคุณหมออย่าอยากรู้นะถ้าอยากแล้วมันไม่เห็นเลยกราบขอบพระคุณครับหลวงพ่อ ครับนมรส ก, การพระอาจารย์ครับปฏิบัติทมได้สักพักนึงแล้วแล้วก็รู้สึกไม่ก้าวหน้าอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนําวิธีปฏิบัติที่ถูกกระจิ๋นหน่อยครับของคุณเป็นคนคิดเยอะถ้าคุณจะไปภาวนาเพื่อให้จิตสงบอะไรเงี้ยไม่สงบง่ายอ่ะนะงั้นเราอย่าไปเอาความสงบมาเป็นเป้าหมายของคุณหงุดหงิดเก่งรู้สึกไหมครับนะเพราะฉะนั้นถ้าใจหงุดหงิดขึ้นมารู้ทันใจหงุดหงิดขึ้นมารู้ทันใจสบายก็รู้ทันใจหงุดหงิดก็รู้ทันนะรู้อย่างนี้ไปเรื่อย รู้บ่อย่ะมันก้าวหน้าเองแหละครับให้ดูจิตเป็นหลักใช่ไหมครับดูจิตไปนะครับแล้วกายที่พยายามมองดูอยู่นี่ปฏิบัติผูกไหมครับอย่าอย่าจงใจจ้องมันนะแค่รู้สึกครับแค่รู้สึกไม่เพ่งครับนะนั่นโอกาสนี้ขอกาบขอขมาหลวงพ่อด้วยถ้ามีวัตถิรามหรือมโนกรรมแล้วก็ได้ได้ก็เอาไกยกรรมอะไรก็เอานะเอาโหสินะวัตถิกามไม่เท่าไหร่นะไกยกรรมนี่น่ากลัวหน่อย ได้มีโอกาสไปเจอหลวงพ่อครั้งแรกเมื่อปีกวามาแล้วหลวงพ่อทักว่าเข้าไม่ไหนหลวงพ่อไม่ค่อยได้ยินหลวงพ่อทักว่าเครียดมากนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมทั้งในรูปแบบแล้วก็ปีกว่าะคะ่ะแล้วก็การปฏิบัติในรูปแบบนี้ก็ประมาณคอดเพียงก็ประมาณ10วันนะคะแล้วก็มีพัฒนาการขึ้นมาบ้างนะคะก็จะมาถามหลวงพ่อว่าเป็นยังไงบ้างะคะการไ ป, ไปดู<ม>เวทนาหรือเปล่า ไปดูเวทนามาหรือไงเออไม่ค่ะสติปัฏฐานสี่ค่ะแเราก็ดูไปนะร่างกายที่เคลื่อนไหวก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความสุขความทุกข์ก็เป็นอีกอันหนึ่งใจที่เป็นคนรู้ก็อีกอันหนึ่งโรคปวดหลงอะไรก็เป็นอีกอันหนึ่งค่อยๆแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปค่อยๆดูไปแต่ละอันแต่ละอันพอแยกออกไปแล้วไม่ม่ไม่มีตัวเราแล้วดูอย่างนั้นบ่อๆไปนะค่ะพอทําได้อยู่ทําได้ใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะ กับนำมัศ ก, การหลวงพ่อนะครับพอดีผมตอนนี้ผมก็นั่งสมาธิก่อนนอ น, นะครับก็คือทําแบบที่หลวงพ่อแนะนำมาก็คือให้รู้กายรู้ว่านั่งรู้ว่าท้องพองท้อ ง, องยุบคราวนี้คือรู้ไปแล้วมันรู้สึกนิ่งๆขึ้นอาอามาอย่าน้ําใจให้นิ่งนะเวลารู้ ร, รู้สบายๆดูสบายๆอย่าไปน้อมใจให้ซึมก่อนพอคุณพอจะเริ่มมาดูกายเนี่ยคุณจะทําใจให้ซึมไหมเ ง, งี้ย ให้ซึมได้ที่ก่แล้วค่อยดูอะไรเงี้ยมันค่อยน้อมๆตัวนี้แหละที่ผิดเย อ, อครับดูไปเลยดูไปเลยด้วยความรู้สึกปกติอย่างเงี้ยไม่น้อมให้ซึมแล้วไปดูนะครับแล้วมีคาํคาถามในคําถามหนึ่งก็คือได้ยิงคําสอนหลายๆอย่างเขาบอกว่าดีชั่วเนี่ยอยู่ที่กายอย่างนี้สมมุติว่าถ้าเราทําชั่วแล้วจิตใจเราเนี่ยไม่ได้คิดอะไรอย่างนี้เหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้รับผลกรรมหรือเปล่าไม่จริงหรอก <laughs> มันเมื่อเป็นไปไม่ได้หรอกนะ <laughs> ร่างกายเป็นคนทํำนะเราจิตใจเราไม่ได้ทําใช่ไหมร่างกายไปชกเขาก็ช่างมันให้ร่างกายมันไปติดคุกมันไม่รับจริงป่ามันไม่รับไม่ได้เใช่ไหมอย่าไปคิดอย่างนั้นนะกายกรรมมโนกรรมวาจีกรรมมีผลทั้งสิ้นแหละครับผมขอบคุณพระอาจารย์มากครับคร้ายวาดชศพนะเคยจําเรื่องกรรมมนิษฐ์ได้ไหมฆ่าคนนะเอาดาบฟันคนเนี่ถือว่าผ่านไปในอนุช่องว่างของอนุไม่ได้ฆ่าใครไม่บาป ตายมันทํานะใจไม่ได้ทำอ้าค่ะ น, นมาสการหลวงพ่อค่ะไม่แน่ใจว่าตัวเองอะค่ะเป็นคนที่สุขง่ายเกินไปหรือเปล่าครับไม่จริง อ, อ่ะเราไปคอยดูนะใจเรามีความเครียดแทรกขึ้นเป็นระยะระยะนะสุกเนี่ยมันสุกเย้อมเยิมเครื่มเคลื่มไปรู้สึกไหมใจอย่างเงี้ยโผล่ลาล้าไปเรื่อยๆน ะ, ะมันสุขหลอกๆอันเนี้ยนะแล้วก็ขอวิหารธรรมในการ คือหนูมีอาชีพต้องพูดนะคะอยากจะขอสติประทานในการเวลาที่พูดนะคะเวลาที่พูดต้องคิดสิเวลาที่คิดไม่ใช่เวลาจเจริญสติแต่พอพูดพูดไปแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้กูเก่งใช่ไหมรู้ทันวันนี้พูดไปแล้วคนหลับหมดห้องเลยรู้สึกเซงมากเลยรู้ว่าเซงนะรู้จิตไปเรื่<ข>อยๆแต่<ข>อย่าโมแต่ดูจิตแล้วพูดนะเียพูดไม่ออก<ข>อความ ค, คิดจะดับหมดเลย คราวนี้เราจะพูดได้คำเดียวว่างว่างไม่มีใครฟังละค่ะขอบคุณค่ ะ, คคะกับกัดนมัสการหลวงพ่ อ, อรู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าตื่นเต้นน้อยกว่าตอนที่เข้าคิวอะค่ะอืมดีที่รู้เห็นไม่ตื่นเต้นก็ไม่เที่ยงค่ะทีนี้ไม่ทราบว่าจะทำยังไงถึงจะมีฉันทะในการปฏิบัติให้มันมากขึ้นเพราะรู้สึกว่า ขี้เกียจจังเลยค่ะชันท่าเนี่ยนะมันจะเกิดได้ต่อเมื่อเราเห็นประโยชน์อย่างเราภาวนาไปช่วงหนึ่งเราเห็นประโยชน์ของการภาวนาเนี่ยจะมีฉันท่ามากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าอย่างตอนนี้ขี้เกียจนะ่จะให้ฉันท่าเกิดไม่เกิดง่ายๆต้องทนต่อความขี้เกียจนะต้องใช้สูตรของหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาบอกว่าขยันก็ปฏิบัติขี้เกียจก็ปฏิบัตินะหลับหูหลับตาปฏิบัติได้ยังงี้เหรอคะไม่ใช่ <laughs> <laughs> ต้องต่อสู้อย่ายอมแพ้ความขี้เกียจนะ ถ้าความขี้เกียดนั้นทําเราล่มจมอดทนไปก่อนมันขี้เกียจภาวนาเราก็ตามรู้ตามดูไปรู้ทันใจที่ขี้เกียจน ะ, ะมันอยากนอนแนละ้วทั้งๆ ท, ที่ยังไม่สมควรนอนลุกขึ้นมาภาวนาลุกขึ้นมาเดินนะออกห่างๆที่นอนอย่างเงี้ยต้องนะอดทนก่อนเบื้องต้นแล้วอย่างนี้จะดูจิตรหรือเปล่าคะดูไปทั้งหมดเลยนะร่างกายก็ต้องรู้ดูได้ทั้งหมดเลย กลาบนมัศการหลวงพ่อค่ะก่อนอื่นรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ ม, มีบุญเหลือเกินได้มากราบหลวงพ่อวันนี้คือหนูมีคำถามคือว่าตัวเองเนี่ยตั้งแต่ฟังซีดีพระอาจารย์แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะสแสวงหาในเรื่องธรรมะด้วยก็มีความรู้สึกว่าอยากจะตัดห่วงนะคะคือว่าคือที่เราวางแผนไว้ว่าอีกสองปี ถ้าเราจะไปในทางนี้เลยแต่ในขณะเดียวกันก็ไปไปช่วยเหลือสังคมด้วยแล้วก็คือหนูเป็นครูค่ะแต่คือทางครอบครัวเนี่ยแม่อะไรประมาณคือจะให้เราห่วงครอบครัวตลอดเนี้ยค่ะคื อ, คอาการปฏิบัติเนี่ยนะถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะแยกตัวไปปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติทำที่แท้จริงอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ อย่าเราอยู่ในครอบครัวแล้วใจเรากังวลกยวครอบครัวรู้ว่ากังวลนะทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ไม่ไม่ใช่หนีไปนะรู้ไปมีหน้าที่เราก็ทำไปเห็นร่างกายมันทำงานไปเห็นใจมันคิดไปรู้ทันมันไปเรื่อยอยู่ตรงไหนก็ภาวนาได้ค่ะคือแล้วทุกวันนี้ที่ที่ปฏิบัติอยู่นี่ถูกถูกต้องถูกทางหรือเปล่าอย่าอย่าไปบังคับใจให้ซึมไปนะมันเครียดไปค่ ะ, ะดูไปอย่างสบายสบาย ชีวิตเราก็ปัญหาเยอะอยู่แล้วเราอยากภาวนาแล้วเกิดปัญหามากกว่าเก่าอีกนะเพราะฉั้นเราภาวนาเนี้ยต้องใจมันต้องมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นอย่าไปบังคับมันมากตามรู้บ่อยๆนะใจจะโปร่งโล่งเบามากขึ้นกราบน้ำมศการครับคือได้ฟังทำหลวงพ่อตอนนี้ผมปฏิบัติถึงขั้นได้ยินเสียงกลนของตัวเองแล้ว อแล้วก็ได้เห็นความคิดตอนก่อนตื่นนอนเออดีแล้วก็ทีนี้จิตของผมก็อยากรู้ว่าผมเป็นจิตเห็นว่าจิตเป็นยังเป็นสัมภเวสีอยู่ อ, อ, อย่างเป็นจิตที่เป็นโอปติกะก็คือยังมันชอบเอาเอารมณ์ในอดีตประชาร์ดขึ้นไปคิดอยู่แล้วก็ออหาทางออกไม่เจอครับแค่รู้ทันนะแล้วถ้าใจไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบหลักของการภาวนาเนี่ยข้อที่หนึ่งรู้ทันสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้น ข้อที่สองรู้ด้วยความเป็นกลางถ้าหากไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางนะมันจะกลับมาเป็นกลางเองอย่างตอนนี้ใจไม่ชอบที่จะไปเอาอารมณ์เก่าขึ้นมาอะไรเงี้ยรู้ทันใจที่ไม่ชอบนะรู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางรู้แล้วไม่ทำอะไรต่อไม่ดัดแปลงไม่แก้ไขรู้อย่างที่เขาเป็นแม่มาสตาร์หลวงพ่อค่ะ คือดิฉันเคยปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งสมาธิบ้างตอนรู้สึกว่าตัวเองจิตใจสงบนะคะแต่พอมามีบุตรนะคะเรารู้สึกว่าจิตใจตัวเองเนี่ยเป็นกังวลแล้วก็วิตกกังวลกับเรื่องลูกมากถ้าไม่ได้หรอกนะเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงก็ต้องห่วงลูกแต่กังวลให้รู้ว่ากังวลไปน ะ, ะแล้วก็จเจริญสติไปเรื่อยๆวันหนึ่งเห็นลูกเป็นก้อนๆเหมือนที่ใครตะกี้เขาเห็นนะความห่วงความกังวลไม่นลดลงเหลือแต่หน้าที่ดูแลเขาอย่างดีที่สุดนะ พ่อแม่ทั้งหลายนะบางทีทําร้ายลูกโดยไม่เจตนาเลยนะเพราะว่าดูใจตัวเองไม่ทันโมโหขึ้นมารักลูกนะโมโหขึ้นมาตีลูกซะแล้วอะไรอย่างนี้ยนั่นะเราคอยรู้ทันใจของเรานะใจเราร่มเย็นเป็นสุขลูกเรามีความสุขมากขึ้นด้วยจะทํำยังไงให้จิตใจตัวเองสงบได้ะคะสังเกตไปใจที่มีความอยากเกิดขึ้นนั่นแหละทําให้ใจเราเร่าร้อนนะเช่นอยากให้ลูกทําอย่างนี้มันไม่ทํำก็โมโหนะอยากให้แฟนทําอย่างนี้ไม่ทํำก็โมโหเนี่ย ใจเรามีความอยากผุดขึ้นมาเราค่อยรู้ทันใจที่มีความอยากถ้าความอยากฝุดขึ้นมารู้ทันไม่ค่อยโมโหเท่าไหร่ละคือสึกกรุ่มใจกับสภาวะความเป็นแม่ค่ะ เ, ออเดี๋ยวไปกลุ้มนะถึงยังไงก็เป็นแล้วค่ะค <c oughs> ืนนี้ไปได้ยังไงเป็นแล้วนะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ อยากจะเรียนถามว่าตอนเวลานั่งสมาธิหรือว่าเวลานั่งสวดมนต์อะคะ่ะคือมันจะเห็นเป็นแบบตัวเองเนี่ยสวดอยู่แต่ว่าใจมันอยู่ต่างหากใช่ค่ะก็ะดูไปนะแต่ว่าอย่าประคองตัวนี้ไว้ตลอดเวลาถ้าประคองตัวนี้ไว้ตลอดเวลาใจจะทื่อๆเหมือนตอนเนี้ยใช่ค่ะอย่าไปประคองไว้ประคองไว้ใจนิ่งๆแค่รู้ว่ามันมีอยู่แต่อย่าไปรักษามันไว้อ๋อค่ะ แล้วที่ปฏิบัติมาเป็นไงบ้างก็ดีเหมือนกันนะแต่อย่าจับเอาตัวรู้ไว้กขแล้วกันอ๋อค่ะคือรู้แล้วก็ปล่อยเขาไปเลยนี่ใช่ไหมคะนี่เป็นธรรมชาติอ่ะเหลือสองคนพอดีพอดีหมดเวลาได้สองคนอ่ะเชิญกราบนวสการหลวงพ่อค่ะเปล่นเต้นมากค่ะแพ้กิเลสค่ะตอนแรกคิดว่าหลวงพ่อคงเหนื่อยแล้วค่ะแต่ว่า อิเลสพามาเอาแล้วว่าไงว่าไปเลยปกติถ้าเกิดหนูจะดูจิตก็จะชอบดูจิตที่หนีไปคิดว่าเป็นคนคิดมากอย่างนั้นก็ใช้ได้ได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปนี้ก็พยายามรู้สึกร่างกายให้เพิ่มคิดนิดนึงนะสังเกตไหมใจเราไม่ค่อยมีแรงค่ะแต่มันเบาๆอ้อยๆอ้อยอย่างเรื่อยๆเปื่อยๆไปนะพยายามรู้สึกร่างกายมากขึ้นหน่อยใจจะเข้มแข็งขึ้นร่างกายขยับขยื่อะไรนี้ใช่ไหมร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะค่ะ เราจะเห็นจิตชัดขึ้นด้วยค่ะหลวงพ่ อ, อนณนมสักการหลวงพ่อครับก่อนหน้านี้จะมีปัญหาเพ่งแรงแล้วก็หมกมุ่นกับการปฏิบัติมากมนะครับแล้วก็เคยส่ง กันบ้านกับพี่ที่เป็นผู้ช่วยสอนทีสน่สันติสันติธรรมท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับการตักเตือนว่าเพลงหมกมุ่นมากเกินไปก็เลยลดการทําในรูปแบบลงแล้วก็เหลือแค่วาดพระสมบู์วันละครั้งนะครับก็รู้สึกว่ามันก็คลายลงก็แต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่ายังถือว่าหมกมุ่นมากเกินไปหรือเปล่าดีขึ้นมากแล้วนะครับมันไม่เครียดอย่างแต่ก่อนแล้ะแต่ว่าความเคยชินเก่าๆทําให้เพลงง่ายครับนะ แล้วเราก็ค่อยรู้สึกจิตไปเพ่งแล้วรู้ทันรู้ทันไปนะรู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางไปเรื่อยๆอย่าไปให้จิตมันอยู่กับที่อันเดียวก็แล้วกันหลวงพ่อมีอะไรจะว่ากล่าวตักเตือนเพิ่มเติมมไหมครับว่านะดีแล้วะขอบคุณภาวนาจะไปว่าทําไมแล่วขี้เกียจเราค่อยว่าคขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนคนสุดท้ายจะจะถามหลวงพ่อหลวงพ่อขอถามพวกเด็กๆข้างหลังนู้นน่ะรู้สึกไหมใจลอย รู้สึกไหมใจฟุ้งซ่านเห็นหนั่งตัวนั่งอยู่ที่นี่เห็นใจหนีไปที่อื่นอะไราเงี้ยแล้วค่อยรู้ทันบ่อยๆนะอา้าวว่าไปกับรรเศกาเพ่อพระอาจารย์เจ้าค่ะเออคือจะรีถามเกี่ยวกับเออกรณนี้ที่เป็นคนโมหะโมหะจริตนะะแล้วก็การจะปฏิบัติวิธีไหนจะเหมาะนะคะโมหะเราก็กระตุ้นมันหน่อยนะใช้ร่างกายเนะี่ยอย่าง ขยับตัวแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกอะไรเงี้ยเคลื่อนไหวอย่าซ้ำซากนะขยับนี้บ้างขยับทางนี้บ้างเนี่ยคอยกระตุ้นความรู้สึกตัวบ่อยๆแล้วทำจนมันเคยชินแล้วบางทีมันเป็นการความคิดนำหรือความอยากมันนำนนเราก็รู้ทันว่ามีความอยากแค่นั้นแค่นั้นเองน ะ, ะการที่เราคอยฝึกฝึกไปเนี่ยแล้วเรารู้ทันจิตใจของเราเองนะั้นรู้ถูกละ ก็จะก็ oh สังเกตไหมล่ะใจเรามีความสุขมากขึ้นใช่ไหมแล้วเป็นคนชอบฝันตลอดครับอาจารย์ใครๆมันก็ฝันทั้งวันแหละกลางคืนนะคะกลางคืนก็ฝันกันทั้งคืนแหละไม่เป็นไรเหรอคะปกติจบค่ะจค่ะน้าหมดพอดีขอโอกาสนี้จากพระคุณเจ้าและที่ประชุมเพื่อเรียนให้ทราบดังนี้นะครับ เดิมมหาวิทยาลัยตั้งใจถวายปัจจัยจำนวน2 0 0 0มืนบาทแด่พระคุณเจ้าเพื่อสมทบทุนสืบทอดบำรุงพระพุทธศาสนารวมกับที่ท่านผู้บริหารคณาจารย์และท่านสาธุชนบริจาคทาบุญในตู้อีก 1,500 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 0บาทตั้งใจจะถวายพระคุณเจ้าความทราบถึงพระคุณท่านแล้วท่านปลาลบว่าเงินนี้สมควรที่จะมอบให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนการศึกษาและใช้ในกิจการต่างๆที่เป็นสาธารณประโยชน์ก็มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วจึงขออนุญาตพระคุณเจ้านำเงินนี้สมทบทุนมูลนิธิสุนันทากุมารีรัตน์ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมูลนิธิที่ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสุสานหลวงวัดราชบพิตรของพระบรมราชวงศ์และงานด้านสาธารณกุศลอื่นๆรวมไปถึง ช่วยเหลือเมื่อมีสาธารณภัยทั้งหลายและสมทบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาครับขอโอกาสนี้พวกเราขอร่วมอนุโมทนาในกุศลเจตนาของพระคุณเจ้าครับและขอกราบเยนเชิญท่านอธิการบดีเป็นผู้แทนที่ประชุมนี้ถวายผ้าไตรและบริวาร น, นะครับแด่พระคุณเจ้าขอกราบยินเชิญครับรับพรหน่อยนะ ยถาวาริวหาปุราปริตปูเรนตีสาครางเอวเมวาอิโตทินังเฟตาณังอุปกระปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิชตตสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทพนารโสยถามณนิโชติลาโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชนตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะ อาภิวาธนาศีลิสนิจังมุธาปัจจายิโนจัตตารโธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่ออนุโมทนากับท่านพิการนะแล้วก็ผู้บริหารทุกขั้นมีสายตาที่ยาวไกลยามนำธรรมะมาสู่นักศึกษาสู่สังคม ไม่มีอะไรดีเท่ากับธรรมะหรอกที่จะให้ความร่มเย็นกับชีวิตพวกเราได้อย่างนี้ความรู้ก็จำเป็นนะแต่ธรรมะก็จำเป็นคนมีความรู้อย่างเดียวไม่พอที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขนะนั้นท่านเป็นผู้บริหารที่มองการไกลพยายามเอาธรรมะมาให้พวกเราเราขออนุโมทนากับท่านด้วยนะหลวงพ่อไปแล้วเนาะ